จเจิญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบ ก, กันอีกครั้งเพื่อมาสุนทนาธรรมถามตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีคําถามอยากจะเข้ามาถามก็เชิญเข้ามาได้แต่ต้องรอคิวรอตามขั้นตอนใครมาก่อนมาหลังก็ มาไปตามคิวคิวแรกคืนนี้ก็คือจ้แม่ตะเจ็ดที่รับน้สดระนามพระอาจารย์ครับเป็นยังไงวันนี้ได้ทําบุญหลายอย่างนะตั้งแต่เช้าเลยนะเชา้าเป็นวันเย็นครับเอชเช้าทำอะไรใส่บาทครับเดชแล้วตอนเชาทำอะไรฟังธรรมครับอ๋อแล้วตอนเข้านี้ทำอะไรสัมผัธรรมครับเออ ได้ได้ธรรมะได้บุญหลายอย่างแล้วนะครับ<ำ>มีความสุขไหมก็มีความสุขอยู่ค่ะไปเที่ยวไหมกก็<ำ>ไมไปเที่ยวก็ดีน ะ, ะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็พยายามทําทำธรรมะเอย่าเอาแต่เที่ยวอย่างเดียวนะครับ วันนี้จะมาส่งการบ้าน ก, ก่อนใช่มครับครับแล้วบนเรามี <Okay. S 3> เราจะมีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บจะไข้เป็นธรรมดาจะรล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะรับว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากจักของรักของเจริญใจทางสายเลทั้งวลเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพิ่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายญาติคือว่าเอาจะต้องได้รับผลของกรรมตั้งนั้นสืบไปเราทั้งหลายคว<น>รพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกเช้าโอเพิจารณาทุกวันทรือล่าพยายามพิจารณาทุกวันครับอ่าทางกายเรามีอะไรบ้างผมขนแล็บ ฟันหนังเน้อ็นกระดูกเกี่ยนไอนกระดูกม้ามหัวใจตาพังผืดไตปอดช้ใหญ่ช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า่นในหม้องสีสนำดีน้ำจืดน้ำเหลืองเ่นน้ำเ่ำน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเดือดน้ำลายน้ำขี้น้ำมุ้นน้ำขีข้อน้ำมูกน้ เดีน้ำตาตะบันฝนน้ำเนื่อน้ำเดินน้าเหลืองน้ำเชลเลน้้ำดียี่อะไรสมองสีสัอาหารกาอาหใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่บอดใจผังถึตอบหัวใจมามีอะไรกระดูกกระดูกเอ็นเนังแล้อหนังสมาธฟ้นเล็ยขน ก็เริ่มนั่งใหม่แล้วครับเริ่มเข้าที่เข้าทาแล้วนะทําทุกวันใช่ไหมครับพยายามทําทุกวันครับแล้วสวดมนต์ด้วยป่าก็มีสวดมนต์ด้วยค่ะเน้นให้ท่องพุทโธพุทโธอเนี่ยดีที่สุดถ่าท่องได้อ่าถพุทโธพุทโธเนี่ยคมีอะไรอยากจะถามบ้างนี่ <coach> ไม่มีค่ะมาฟังคั้งครับโอเคแม่ไม่ย้ายเไม่มีค่ะโอเี้เดี๋ยวไปที่ยี่ปุนก่อนนะเดี๋ยวน้าสำหรับน้องแล้วคุณเดี๋ยวไปให้น้องแล้วคุณก่อนตอนแลนไม่ได้ตอนนี้ยังกลางวันอยู่เบบอกว่าจะกลาพระอาจารย์ค่ะน้องคุณพระอาจารย์เรียกลูกพ่ออาจารย์ก็คอยเป็นนะคะ เป็นจะจดถามว่าอา จ, ด จ, ดจารย์ค่ะว่ายังไงครับอาจารย์ถามว่ายังไงดูจะจดถามจะจดถามอาจารย์เขาว่าคนนี้จะถามอะไรวันนี้ที่หนูถามว่าถ้าหยิบของของคนอื่นโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตจะเป็น ย, ยังไงใช่ไหมครัเรียกว่าขโมยขโมยไงถูกจับติดคุกตารางน ะ, ะเขาจับเขาขังคุกได้นะ แนะม่อาจารย์บอกว่าตำรวจจับนะครับจะเป็นยังไงคะก็เราไม่ได้อยู่กับแม่ไมอยู่กับพ่อไปไปอยู่ในห้องห้องกงอยู่ในในห้องขังที่สถานีตำรวจไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะญาณูไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจอาจารย์บอกว่าจะโดนจับนะครับหมดคาถามได้ยังยังอ่ากราบก่อนนะคะ กับพระอาจารย์นะไ ม, ไม่ไม่ถามจะจาถามแล้วนะลูกให้คนอื่นถามโอเคครับพระอาจารย์คะ่<ำ>ะไอะา อ, อีกทีจ ะ, จะาจ๋าถามหนูว่าสิจ้าจเดี๋ยวถจ้าจะาถามพระอาจารย์อีกหนูมีอะไรจะถามอีกไหมคะอาจารย์คะพระอาจายผู้ผู้นี่ไปโรงเรียนคะ่ะอปโรงเรียนนะดิฉันจะเรียนนะยึด จะไปยับชงพรุ่งนี้ไปบัสครับไมอ่ะห น, นูบอกพระอาจารย์อีกเดือนหน้าหนูจะไปกราบพระอาจารย์ที่ไทยอะค่ะพระอาจารย์วะหนูจะกราบพระอาจารย์ที่ไทยค่ะเน่น ย, ยกราบพระหลวงไทยเลยยัก็ยงงปูดูด้วยค่ะหลวงปูดูด้วยเหรอโอเคยงังดูด้วยค่ะอ่าดีครับดีครับดีด้วยที่พระอาจารย์ก็อได้ยินครับได้ยิน สาทุสาธุไปค่ะพระไปนอนได้แล้วพะอาจารย์คะพระอาจารย์คะดูดูแค่แต่ระธรรมเนยห้พรอาจารย์ก็โอเคค่ะระอาจารย์คะมาว่ามาเหีอะไรค่ะมองเห็นแป๊บหนึ่งค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ก็น้องคณอย่าเพิ่งใจตัสแป๊บหนึ่งพะอาจารย์ก็โอเคพระอาจารย์คะคือพอดีวันนี้แม่ค่ะเขา เขาเขาไม่สบไม่สบายใจตอนนี้เขาอยู่ในเ c e book ด้วยค่ะพระอาจารย์ค่อยไม่สบายยายครับแม่แม่แล้วเขาฝากคำถามมาถามพระอาจารย์นะคะคือตอนนี้แม่เขาดูแลยายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะพระอาจารย์ ไ, ไปไหนไม่ได้แล้วบางครั้งยายก็มีสติบางครั้งก็ไม่มีสติแล้วก็คือแม่ดูแลยาย24ชั่วโมงค่ะอยู่อยู่กับยกสองคนแล้วยายเขาก็ ด่าแม่หยาบหยาบคลใครในตอนที่เขาไม่มีสตินะคะแล้วก็มีสติหรือมีสติไม่แน่ใจแต่แม่เขาก็บอกว่ายายเขาก็พูดรู้เรื่องแล้วก็แช่งแม่ให้ได้รับความลำบากความเลวร้ายทุกสิ่งอย่างแม่เขาก็เสียใจกลัวว่าจะเป็นตามปากที่ยายพูดเพราะว่าเคยได้ยินว่าถ้าพ่อแม่แช่งลูกลูกก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะหรือว่าควรคิดยัง<ร>ไงเรามีกรรมเป็นของของตน กรรนี่แหละเป็นผู้ที่จะสาบเราคนอื่นสาบเราไม่ได้เราแม้แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเมแม่แพระพุทธเจ้าก็สาบเราไม่ได้ค่ะกรรมนี่แหละเป็นตัวที่จะสาบเราให้ดีและช่วยค่ะบอกเข้าไปไม่ต้องกงังวลงั้นคนอื่นพูดอะไรเราก็ต้องเป็นตามเขาเลยเพ้าว่าเราเป็นหมาเราก็ต้องเป็นหมาตามเขาเลย <c oughs> ใช่ไหมอ่า ะใช่เหตุใช่ผลศาสนาพุทธสอนให้ให้เชื่อกฎแห่งกรรมกรรม น, ำนำ<ช>ั่นแหลที่ที่ทะทำให้เราดีเราเชื่อหรือทำให้เราดีรเราเชื่อไม่ได้อเพราะว่าแกก็เก็บมาคิดเพราะว่าบางทีที่ยายด่าแม่หรือว่าเออ่พูดหยาบหยาบคล้ายาๆแม่เขาก็จะมีบางครั้งที่เถียงไปบ้างหรือว่าพยายามจะอธิบายให้ยายเข้าใจบ้าง อย่าไปถือสานคนเจ็บไข้ได้ป่วย้ะคนเจ็บแล้วมันไม่มีสติอารมณ์มันดุอารอมณ์ไม่ดีปล่อยให้เขาระบายไปเวลามาเวลามากพูดอะไรจะสาธุจ่าสาธุ อ, อย่าไปเถียงอย่าไปทะเละห้เสียเวลาคนไม่มีสติเหมือนคนบ้าคนใกล้จะบ้าค่ะแล้วอ่า แต่ก็แม่เขาบอกว่าเขานิมนต์พระมาให้ยายทําบุญแล้วก็ตักบาตร ท, ทุกๆวันพระเลยแต่ว่ายายเขาเหมือนกับไม่เต็มใจแล้วเขาก็ไม่อยากจะทำ<ก>ํำอันนี้ ถ, ถ้าไม่ทําก็อย่าทําไม่ทํ า, าก็พอท<ำ>ํําทาก็ไม่ได้บุญถ้าไม่เต็มใจที่จะทำค่ะแล้วก็แม่เขาก็พยายามเปิดเทปอะไรทำมารต่างๆให้ฟังก็ไม่รับหมายถึงมันมันเขาไม่ได้อยู่เลย เขาไม่ได้อยู่ในสรภาพที่เขาอยากจะรับก็อย่าไปบังคับเขาปล่อยเขาอยู่ตามสบายเขาอยากจะด่าก็าป่อยเขาด่าไปเป็นเรื่องของเขาแล้วก็ระบายความทุกข์เข้ามากใจร่างกายเขาไม่สบายตัวใจเขาก็ไม่สบายอารมณ์ก็บุมมันก็ต้องระบายออกมาอืที่แล้วเั็นผลของกรรมที่ไม่คอยควบคุมใจเวลาร่างกายเป็นอะไรก็เนี่ย ควบคุมสติไม่ได้อืค่ะเหมือนกับว่าเวลาเวลาลูกคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะทาอาจารย์โทรมาหรือว่ามาเยี่ยมยายเขาก็จะพูดดีด้วยทุกอย่างแต่ว่ามีแม่คนเดียวที่แบบว่าโดนอคนอยู่ไกลนานๆแะเห็นทีมันก็ดีใจคนอยู่ใกล้เห็นบ่อยๆมันก็เบื่อเนี่ยไปคิดอะไรเลี่ยคิดว่าเราเราได้ทําบุญมากที่สุดก็แล้วกัน เราได้ดแลแม่อย่างใกล้ชิดที่สุดทดแทนบุญคุณให้กับแม่มององหน้าที่ของเราอย่าไปมองปฏิบิริยาของแม่เขาเขาจะชอบใครเกลียดใครเราไปบังคับเขาไม่ได้หรอแม่เราในฐานะเป็นลูกเราอยากจะได้บุญเราทดแทนบุญคุณท่านไ่พระอาจารย์คะอย่างนี้อันนี้คําถามหนูเองแม่ไม่ได้ฝากถาม อย่างลูกคนอื่นๆที่เขาไม่ได้มาคอยอยู่ดูแล24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเขาส่งแต่เงินมาเข า, เขาก็ได้ส่วนนั้นเขาก็ได้ส่วนที่เขาทําเงินก็มีประยชน์ก็ ม, มันก็ขึ้นอยู่กับว่างานที่แม่ทํำนี่เมื่อสมมติว่าถ้าคำนวณได้เงินได้เท่าไหร่ก็ประมาณกันได้เอไว้กันได้อย่างนั้นแต่ตรงทีมันก็วัดไม่ได้ด้ยเงินใช่ไหมหนูหนูคิดว่าเออแล้วอย่างนี้ออกแต่เงินโดยที่ไม่ต้องมาแบบ เป็นบาปเป็นกรรมต้องมานั่งเถียงแม่หรือว่าอารมณ์ไม่ดีหรือว่าแอบคิดในทางไม่ดีกับแม่มันจะได้บุญมากกว่าก็แม่จะได้บุญเยอะกันได้ได้สร้างขันติได้สร้างความอดทนอืมออขันติก็เป็น <S 1> <S 1> เป็นธรรมเป็นบุญเอ่อเป็นบุญนกันที่เราจะมาใช้ฆ่ากิเลสเราได้ฆ่าความโกรธแม่ได้ไปแถ้าเราอดทนแม่ถือสามแม่แล้วง็จะไม่โกรธแม่อืมอ เฮ้ก็คือให้แม่ทำทาใจว่าทำตามหน้าที่ที่เป็นลูกไปใช่ส่วนแม่เขาจะแสดงกิริยาการแล้ก็ปล่อยเขาไปเขาลบนับเขาลบท่านให้ท่านแสดงอาการไปตามตามรู้สึกของท่านค่ะโอเคเพราะว่าอย่างวันนี้เขาโทรมาแล้วร้องไห้หนักมากรไปบังคับเราไปบังคับเขาให้รักเราไม่ได้หรอก เพาะไม่รักเราก็เรื่องของเขาแต่เราต้องรักเขาเพราะเขาใี้บุญคุณกับเราค่ะก็คือสิ่งที่ลูกทําได้ก็คือรับสภาพแล้วก็ เ, เ, เข้าใจไปจนกว่าจะตายจากกันอย่างนี้เข้าใจถูกต้องจนกว่าหรือเขาอาจจะหยุดเขาอาจจะเหนื่อยธรรดามากๆเนี<แ>่ยเขาก็เหนื่อยเขาก็หยุด <90 S 2> ไปอกาวสิแล้วค่ะพระอาจารย์คือก็บอก อ, อย่าไปอย่าไปตอบโต้ยิ่งตอบโต้มันก็ยิ่งเด้งกลับไปไช่ใช่เถอเดี๋ยวมันก็มันก็จะเบาลงเอค่ะแม่ฟังอยู่แม่แม่ฟังพระอาจารย์นะ อ, อย่าไปต้อง <c oughs> ไปเถียงอยให้แค่พูดให้พอคนเดียวเดี๋ยวแกก็เหนื่อยแกก็หยุดทู่มเองค่ะได้ค่ะพระอาจารย์กราบขอพระคุณนะคะสาธุธรร น้องคุณกลับพ่อจาันไปลูก็ยอาบขาพ่อจย์ตรงนี้ลูกนะาาาากลับพ่อจันเดี๋ยวเดี๋ยวนะพ่อจย์ไปแล้วลูกกลับค่ะเดี๋ยวเดืยนนะไปอาบข้าวพ่อจันโอเคโอเคนอนหลับปันดีนะนอนหลับปันดีนะคร่ า, าทูครับจาทูจ่าทูครับนะับไปที่ตะวันต่อตะวันจูเนีย ตนอยู่ อ, น อ, อลนด์แล้อยู่เมืองไทยกลับไปฮอลดแล้วใช่ไหมฮ อ, อนดาาอยู่ไหนนนี้เออตอนนี้อยู่ในฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์ <c oughs> นะไปยังไงมีอะไรัหมวันนี้เอแค่มีแค่อยากเอาพูทอธไลฟ์มันเป็นหน้าทอมพูมบอยสอยู่มองก็ชอบกว่าไปวัดแต่ไม่ชอบไปโรงเรียน พระอาจารย์ดูไหมใช่ไหมชอบไปวัดมากกอ่าไปโรงเรียนเลยใช่ครับเพราะวัาให้ความสุขมากกว่าใช่ไหมใช่ครับอย่างดีล้วแหลบชอบไปวัดแสดงว่าเป็นคนมีมีบุญมากคนที่ไปวัดนี่ถ้าไม่มีบุญไปไม่ถึงวัดไปไม่ได้เดี๋ยวหนูมีบุญพยายามทำต่อไปให้มีบุญเยอะ นะบุญนี้จะทำให้หลวมีความสุขมากๆไม่มีความทุกข์ดีไหมออชอบชอบตื่นเช้าหมตื่นเช้าทำเดินบาทชอบไหมครับออชอบจากเรียงมากเลยชอบผมเรียวมากเลยโอกาสหน้ามีโอกาสก็้ไปบวชใหม่นะบวบวชทุกปีอะไรก็ได้ เขาบอกว่าตอนที่เขากินหลังจากกว่ตาเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ล้างผักชุวมนะคะผักชุวมเสร็จกว่ตาเสร็จแล้วได้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบเขาบอกว่าเป็นน้าที่อร่อยที่สุดคะที่เขาเคยดิ่มาพรอาจาเป็นน้ำปานาที่อรยท่น้ำกระเจี๊ยบใช่เปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวหนหอมจริงนะิดใจเอโอเคมีอะไรไหมอไม่มีรับไม่มีนะ อลองนค้งอคจกป๊อมขุุเลฟันหนัเนื้อแอนพลูคิวและผลิต no ภัณฑใช้ับพังค์คือน้ำเปล่ใช้เฉพาะอาหารใหม่อาหารเน้าดีน้ำแลดน้าเหลืองน้าเลือดน้าเงิอน้าม้นน้ำตาน้ำแม่เหลวน้าไรน้ามูกน้ำไข่คลองน้ามูกเยือย่ชมางสีชเยอะในสมองมันต้องมาก่อนน้ำนะ <c oughs> อาหาใหม่อาหารเก่าแล้วก็วเยอะในสมองสีสันแล้วน้ําดีน้ำทะเลตามต่ออีกทีมันอยู่ในส่วนของของแข็งนะสมองนี่มันส่วนของของแข็งแล้วตามด้วยของเหลวน้ําดีน้ําำน้ำําเลือดน้ำเหลืองน้ำเอลืองน้ํามันคน้นอะไรต่างๆตามไ่ไม่เป็นไรก็โอเคทําไเวียนรั พาภาพมาดูก็บ้างมันจะได้เห็นว่าข้างในร่างกายเราเป็นยังไงเห็นไ้มเห็นเลือดอะไรก็ดูได้อยู่เป็นเรื่องของเป็นของธรรมดาทางใจเราเราอยู่กับเราอยู่กับมันมาได้แต่เกิดเหตุเราไม่เห็นหน้ามันเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงพอเห็นหน้ามันใหม่ๆก็ไลยตกใจอเห็นบ่อยๆเขาก็ไม่เป็นไรมันไม่มันไม่มีอะไร ไม่ได้ทำลายเราได้มันช่วยเรามันช่วยให้ร่างกายเราอยู่ได้ถ้าผู้นี้มันไ ม, ม่มีก็อยู่ไม่ได้โอเคนะคแม่มีอะไรบ้างยมไม่มีคำถามอะไรครับโอเคในประเด็นท่านต่อไปที่ประวันไอเดโฮอินเยสเตยยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะ ยังไม่พรออ้อมค่ะขอบคุณมากค่ะจารกาชัยนาทำงานางอยู่ก่บคนที่เราไม่ชอบได้ไเอ่อได้ค่ะบ่าจาร์ก็เลยคิดถ้าที่เคยที่ไม่ชอบมากเนี่ยก็คือเราอยู่ได้แต่ว่าอย่างกาแฟนเนี่ยลูกก็เลยแบบเหมือนที่ศึกษาก็าคือ เราก็นั่งสมาธิแล้วก็ฝึกเอาแล้วก็คิดเป็นไตรลักษณ์อาคาพาจาน <c oughs> แล้วก็อีกอย่างก็ก็คิดว่ามันก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้ทีนี้ <c oughs> ลูกก็เห็นว่าถ้าสมมติ ว, ว่าเราอ่ะเกิดแบบถ้าเขาอวนเรามากๆเราก็หยิบปฏิทินมาแล้วเราก็กดแล้วเราก็ไปภาวนาที่เขาเขาก็จะอึ้งไป แต่ลูกก็จะใช้วิธีนี้เพื่อหาทางไปภาวนาอพ mm hmm. ก, ก็เลยลงไปแล้วสองเรียนติ ด, เ, yeah. mm hmm. ดเลยเขาฉันใจเล่เอาทุกอย่างเล่บอกว่าถ้าเขาพูดว่าเอะ๊ะฝึกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเจอยังฝึกชอบแย่ yeah. ลูกก็บอกว่าสแสดงว่าลูกยังฝึกได้ไม่ดีพอลูกก็ลงไปภาวนาใช้แบบวิธีนี้เอาค่ะอาจัดการดี <Okay. S 2> แล้วก็ปกติก็คือ ก, ก็ก็ทำประมาณอย่างที่บอกพระอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ที่พระอาจารย์ให้จาม mm hmm. แมกแกาเจสตี้อย่างเงี้ย mm hmm. พิจารณาเนี้ยลูกก็ก่อนจะนั่งนะคะลูกก็จะพิจารณาอย่างเงี้ยทุกวันนะคะพอาจารย์ส mm hmm. ่วนมากก็ลาก็คือนั่งภาวนาอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็ฟังเทศอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ประมาณอย่างนี้ถ้าไม่ได้ mm hmm. ท่าไม่ได้ไปหาพ่อนะคะพระอาจารย์ค่ะให้มีําว่าเราเลี้จงขใจไปทั้งวันแต่ทีนี้พระอาจารย์พอเวลาแบบมันจะมีอยู่สองครั้งครั้งแรกกับลูกไม่ได้ไม่ได้ถามพระอาจารย์เพราะว่าลูกคิดเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าคือพอเวลาบางทีฟังธรรมะหรือว่าให้พิจารณาอะไรที่มันเป็นทุกข์อะคะ่ะอาจารย์มันร้องไห้ทีนี้พี่เขาก็เลย ตอนแรกกับลูกครั้งแรกเลยมันก็หลายเดือนผ่านมามันเกิดเซนซิทีฟมากแล้วก็มันร้องไห้ลูกก็คิดว่าที่พระอาจารย์สอนนะคะให้พิจารณาเป็นไตหลักหมดแต่มันมาอยช่วงที่ต้นเดือนเนี่ยมันก็เป็นอีกแหละบางทีฟังเทศหรือว่าพิจารณามันก็ร้องไห้อาจารย์ก็เราคิดเป็นไตหลักหมดนี้่เคยถ้าเราไม่เศร้ากับมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราร้องไห้เพราะมันเป็นเรื่อง เรื่องอาจจะเป็น sensitive. เซนซิตีฟมันมันถึงใจเราอะไรประทับใจเราหรืออะไรอยู่ที่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าลูกอะ่ะไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เศร้านะลูกว่าลูกไม่ได้ทุกอะไรคือเฉยเฉยไม่ได้เศร้าไม่ได้ทุกก็ไม่เป็นไรน้ำตามันมีหลายแบบน้ําตาแบบทุกก็มีน้ําตาแบบไม่ทุกก็มีน้ําตาแบบเพิ่มปิติก็มีเนีอ๋อค่ะอาจารย์ก็ประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์แต่ลูกก็คิดเหมือนที่พระอาจารย์บอกอะ่ะ คือปกติลูกก็เข้าง่ายอยู่แล้วพระอาจารย์พอเข้าไปก็เหมือนอย่างที่ที่บอกอะค่ะไม่ไม่ถึงห้านาทีมันก็แบบผอนในใจมันจะเป็นเวฟอย่างเงี้ยตลอดนะคะะอาจารย์อืมค่ะค่ะอาจารย์ก็ประมาณนี้ค่ะลูกก็ <Okay. S 2> ทำลูกก็พยายา ม, มให้เน่งให้สงบถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดอะไรก็อยากคิดก็ได้ก็ดีให้รู้เฉยๆค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะง <Okay. S 2> ั้นมาฟังธรรมค่ะ ไปที่คุณจุ๊บก็ได้ยังเดิไปทํางานได้อยู่หรือเปล่าจัดน้ำจานค่ะอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์สบายดีขึ้นแล้วนะคะเสียงปกติแล้วนะคะพระอาจารย์เกือบหนึเอร์เ็นะ์แล้วคะหนูก็ยังทํางานปกติอะค่ะพระอาจารย์ก็มีบททดสอบเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์ก็ยังสอบตกเรื่อยๆ อ, อยู่เ <laughs> ออทำไมลนะ่ะก็ะะรู้แล้วว่ามันเ ก, กิดจากความอยากของเราเอง ใช่ใช่ค่ะเป็นความอยากก็พยายามนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์อยู่เสมอค่ะก็ก็ยังดีว่าที่เราเสะกดอารมณ์สะกดอะไรอย่างนี้เราได้แต่พอกลับมาบ้านมันก็ยังคิดมากเหมือนเดิมหมดค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจะพุดโธอยู่อะค่ะพระอาจารย์มั น, มนพูดโธเยอะๆหน่อยพอเพลสติแนละ้ใจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาค่อ า, คาจารตอนนี้ก็หนูก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ฟังฟังธรรมะเอง ตอช่วงนี้นะคะพรอาจาร์หนูฟังเอะหนังสือเสียงเรื่องเอะคู่มือมนุษย์นะคะพรอาจาร์อก็ฟังสังศรีเสียงอยู่อะไรอย่างนะะี้ค่ะเดี๋ยวปลายเดือนหนูกลับไทยค่ะพรอาจาร์แต่ว่ากลับแทยไปลงไปพัทยาค่ะพระอาจารย์หนูกลับไปบ้านเลยอ่ะค่ะอยูที่ไหนบ้านบ้านอยู่ใกล้เชียงใหม่ค่ะพระอาจาร์าแล้วหนูจะมาเยี่ยบ่อยไห ไม่บ่อยค่ะเปียบประมาณปีละครั้งค่ะครั้งนี้กลับไปสองอาทิตย์ค่ะครั้งนี้ไปหนูหนูกะจะไปไปปฏิบัติธรรมที่วัดด้วยค่ะพระอาจารย์เออดีได้วันแล้เหรอมีวัดไปแล้วเหรอมีวัดไปแล้วค่ะหนูโทรไปถามที่วัดแล้วแม่ชีเขาก็บอกว่าให้มาได้เลยะคะ่ะพระอาจารย์โอเคดีถ้ามีที่ไปก็ดีกะจ ะ, ะไปอยู่สักประมาณเจ็ดคืนแปดวันเข้าช่วงวิสาขาบูชาพอดีที่สักของเอาวิสาขบาต้นเดือน น, น่า นนะะค่ะปรนั้นก็ดีอค่ะก็ดีทำไปหนูจะาหนูยังไม่เคยไปฝึกปฏิบัติทำที่ไหนเลยครับอาจารย์แ <c oughs> ตวที่วัดแบบไม่ใช่พุทโทค่ะเป็นแบบยุบ ห, หนอคองหน่อค่ะคล้ายคล้เหมือนกันแต่ล้วเวลาเราทําก็ไม่รู้ว่าเราทพุทธโทห ร, รือยุบหนอคองหนอไม่ต้องไปบอกเขาค่ะ <c oughs> อันนั้นแบบนั้เราใช้แล้วมันดีก็ใช้แบบนั้นไปก็ทํ า, ทานั้นเองค่ะอ า, าจารย์หนูจะลองไปดูคะ <c oughs> ่ะอ า, าจารย์หนูยังไม่เคยไปฝึกแบบไปนั่ง จะลองยกนอกระงนองไปกับเขาก็ได้หจะใช้พุดโธนก็ได้แลนวแนี้เวลาเราทำไม่มีใครเขารู้่าเราใช้แบบไหนถ้าเราไม่ไปบอกเขาค่ะพระอาจารย์แต่หนูว่าพุดโธน่าจะดีกว่ามั้งคะเพราะาหนูก็ฝึกพุดโธนมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ได้อันไหนเราถนัดเราก็ใช้อันนั้นไปทันเลยค่ะหนูจะลองไปดูค่ะพระอาจารย์โอเคครับที่มีคําถามนะะพระอาจารย์เดี๋ยวถ้าสมมติ หรือฟังธรรมะอะไรแล้วมีปัญหาอะไรอย่างนี้หนูจะกลับมาถามพระอาจารย์นะคะใช่ก็เข้ามาในสูเนี้ยค่ะวิธีเจอเราง่ายที่สุดก็เจอในสูเนี้ยไม่ต้องมาที่วัดมาที่วัดมันมันต้องมีเวล่งเวลาแล้วมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่สะดวกส่วนมันเยอะค่ะหนูหนูแต่ที่จะคุยอย่างนี้มันไม่ค่อยมีหรับถ้าไม่เข้ามาในสูงค่ะแต่ว่าที่วัดที่หนูจะไปปฏิบัติธรรมอะคะ่ะเขาจะยึดเขาจะยึดเอโทรศัพท์ไปหมดแล้วคะ่ะประมาณ หนูคงไม่ได้เข้ามาหาพระอาจารย์ประมาณสองสัมดาอนค่ะดีดีึงไม่ต้องไป่ต้องใช้โทรศัพท์เป็นแทยหมดปิดภาทั้งห้าิดตาหูจะดิ้นกายใจจะได้สงบได้ค่ะแล้วกลับมาหนูจะมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะดีสาธุค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากมานะคะค่าขอบคุณพระอาจารย์แข็งแรงนะคะสาธุทุกค่ะนโมตานโมบเบงขาให้สันโดษ อนดอนอ๋นนออาจารย์ให้ชื่อชื่อเพิ่มมล้เหรอครับแได้ชื่อเพิ่มแล้วอุเบกทำไหมุเบคาด้วยเลยอุเบขาชื่อการครับนโมนโมอุเบคาอันดนอนนะยินดีตามมีตามเกิดเป็นนามส ก, กุลตามผมมาครับคุณยายคุณยายทำบ้านดีเหรออ่ยายอ น, น, นั่งนิ่งนะใหญ่อยากเข้าซูมครับบอกผมนั้นแต่เช้าแล้วบอกวันนี้เธอพาฉันเข้าท่านสุชาติเนี่ยพาพาเข้าท่านสุชาติผมก็งงเข้าอ๋อเข้าซูมผมก็แซลยใหญ่บอกไม่เข้าเองเลยล่ะใหญ่ก็เลยบอกทำไม่เป็น บอกว่าเอาแล้วถ้าอย่างเนี้ยมันไม่แน่นะยายเกิดวันไหนผมแบบกลับช้ายายก็อดเลยนะอดคุยกับพระอาจารย์เลยนะยายเขาบอกไม่เป็นไรเธอนั่นแหละมาทำยายหนุนสภาพค่ะก็จับสบายแล้นะคะเลยทําอะไรผุเลยไม่เป็นไรแล้วไว้ให้หลานพาเท่าลกันก็อะไรอาหลานมาแทนนะคะแล้วก็ไปดูยายก็สงบดีนะ ไม่รุนวายใจนะก็อยู่แต่บ้านนะคะออไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับ อ, อะรเลยคะออ่ะไว้พระด้วยคะออ่ะไหว้พร ะ, พะออทำใจสงหมดปล่อยวางร่างกายนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เ, ออเป็นคนรับใช้เราเดี๋ยวมันก็ขอลากลับบ้านแนล <laughs> ้ว เราเราเป็นคนสั่งมันเราเป็นนาย ร, ร่างกายเป็นบาลก็ไม่เคยคิดมันเกินพอติดยาแล้วไม่สบาย <c oughs> ตั้งหมดเลยพูดอะไร <c oughs> ไม่ <c oughs> ได้อย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันอะ่าไปอย่าไปทุกข์กับคนใช้ <c oughs> คนใช้เขาเขาเป็นอะไรก็ดูแลเข้าไปให้เอะไรให้อยู่ใก้ยาให้อะไรไป ครับแต่เราว่าให้พูโทโธเอาพูโทโธอย่างเดียวเอาพูโทโธพูโทโธพูโทโธไะโอเคมีอะไรไหมนะโมอาจารย์ครับส่งกันบ้านนิดหน่อยครับผม า, า, มาอ่าอาจารย์ครับก็ตอนนี้เราอพยายามที่จะฝึกแต่ด้วยความที่ว่าตอนเนี้เป้าหมายของเราคือให้ต่อเนื่องครับผมอาจารย์เราเลยออก ออกแบบว่าเราปฏิบัติยังไงก็ได้คือให้มันได้แบบมากที่สุดคือเกือบทั้งวันอ่ะแบบว่ามีสติเมื่อไหร่ที่หลุดไปส่วนใหญ่จะหลุดครับอาจารย์ถ้าหลุดเนี่ยจะหลุดเป็นเพราะว่ามีความโมโ oh หมีโทสะมีอะไรอย่างเงี่ยจะจะพาหลงไปแต่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเนี่ยไม่ให้มันดลงเกินหนึ่งนาทีแล้วต้องกลับมาต้องวางให้ได้ไม่ว่าไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนไม่ว่าจะแบบโกรธเกลียดใครแค่ไหนแบบ โออยากจะทุบอยากจะชกก็ให้วางให้ได้ไปยในหนึ่งนาทีครับผมอาะจันทร์ก็จะย่นเวลาลงมาเรื่อยๆให้มันเร็วขึ้นครับไวเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเร็วขึ้นเองค่ะพระจานทร์แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มากราบพระจันทร์แต่ฟังอยู่นอกข้างนอกห้องก็ับผมเพราะว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นปัญหาดีว่าโดนสุนัขตักแล้วก็เลยไปหาหมอครับผมไปฉีดวัคซีนแล้วก็เลย ไม่เข้าสู่ไม่ทันครับผมอาจารย์พระอาจารย์อาการดีขึ้นครับผมก็นั่งับจะเป็นปกติแล้วครับทุกคนเป็นห่วงพระอาจารย์วันในวันวันนั้นเปิดเปิดเซสชั่นภาษาอังกฤษฟังตกใจพระอาจารย์เสียงเสียงน่าเป็นห่วงมากเลยแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหมด้ล้ว หมดแล้วครับผมอาจารย์ขอบคุณสำหรับชื่อกลางครับผมอาจารยปฏิบัติให้ได้ครับผมคุณยายนอนหลับปันดีนะสบายนะอาจารย์ครับแล้วผมนะครับไม่ต้องคัดใจนะนะครับเรหลับเราหลับด้วยสติโอเคครับผมหลับด้วยสติขอบคุณอาจารย์ครับผม การเทศขนดันนภัทรอุบลกล่าารนมัสการเจ้าข่าพระอาจารย์ค่ะวันนี้ลูกเข้ามากราบพระอาจารย์และมีคําถามความถามหนึ่งเจ้าข่าพระอาจารย์พอดออีมีข้อสงสัยนิดนึงค่ะว่าเราจะมีหลักการใดที่เอาไว้วิจารณาว่าเราปฏิบัติถูกต้องได้ผลแล้วก็ไม่หลงทางอ่ะเจ้าข่าพระอาจารย์เพราะว่าเราก็ปฏิบัติเองของเราแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดอย่างนี้เนจะ้าข้า พ่าจะเอาอะไรมาดูว่าเราไม่ เ, เราหลงทางไปแล้วต้องกลับมาหรือว่าจะดูผลยังไงว่าปฏิบัติถูกแล้วเงี้ยจ้ะค่ะพระอาจารย์ก็ดูที่ใจเราหรือสุขหรือทุกข์ถ้าทุกข์ก็ผิดทางเราถ้าถ้าทุกข์ก็แสดงว่าไปทางกิเลสแล้วเราต้องดึงมันกลับมาให้มันสงบให้มันนิ่งไม่ให้มันทุก ถ้ามันปล่อยวางอย่าไปยึดเกีย่ยวไปติดถ้าอย่าไปยึดไปติดนู่นติดนด้ไม่ว่าจะเป็นอะไรวิเศษกระดาษไหนก็ลงและ้ะไปติดเลิปติดอะไรติดอะนี้ก็หลงละ1 1> อย่าอย่าไปติด อ, อย่าไปติดอะไรพิจารณาทุกอย่างเป็นตายรักไปให้ก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่น่า น่ากลัวคือติดติดติดสิ่งที่ดีใช่ไหมเจ้าคะพรอาจารย์เราไม่น่ากลัวหรอกติดติดไปถึงสิ่งที่ดีไม่เป็นบันดาลเหมือนอย่างนี้ประมาณอย่างนี้เจ้าคะพระอาจารย์อย่างเช่นเราจะสวดมนต์บทนี้ให้ได้ให้ได้ครบแต่ขณะที่เราอยู่ตรงนี้บางทีมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะต้องทําเราก็ต้องมองตามภาวะเหตุผลด้วยใช่ไหมเจ้าคะพรอาจารย์ก็ดูตามเหตุการณ์ส่วนได้ก็สวดส่วนไม่ได้ก็หยุดไปส่วนต่อที่หลังก็ได้ อืมเจ้าค่ะเพราะบางทีเหมือนที่กับเดี๋ยวพระอาจารย์มันจะมีแบบจังหวะที่เราทําแล้วมีการมาแทรกเราก็จะมีขัดเครื่องอันนี้ก็คือถือว่าไม่ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าเรามีทุกแล้ ว, ลวก็ทุกแล้วก็ทุกแล้วค่ะค่ะอืมเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับวันนี้ลูกมีคําถามเพียงเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคอาจารย์สายที่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอคอนเกล็ดอ่ะ กลับน้ำพิการพระอาจารย์เจอาค่ะอยู่ขันแก่นเจ้าค่ะกลับมาอยู่บ้านวันนี้วันหยุดก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่ะได้ไปอยู่อาสมมาหนึ่งวันแล้วค่ะพระอาจารย์หนึ่งคืนเรียกอาสมคนพ่อเรียกอาสมบ้านไม้ไผ่อะค่ะที่ทอยู่สวนหลังบ้านไปยัไงดีไหม<笑><笑> ก, ก็ก็สงบดีค่ะพระอาจารย์แต่วันนั้นลงไปเพราะว่าอากาศดีวันนี้ร้อนก็เลยคิดว่าไม่น่ารอดค่ะ ก็บอกบอกที่บ้านว่าจะไปปฏิบัติที่อ่าที่บ้านไม้ไผ่หลังบ้านนะเขาก็บอกโอเคอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อยู่ไกลจากตัวบ้านไหมอ่าอยู่อืมจริงๆก็จะมีตัวโซนบ้านแล้วก็มันมีประตูข้างหลังบ้านทะลุไปอ่าก็ติดติดเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็อืมถัดถัดไปอยู่เพราะก็ก็เงียบเงียบเลค่ะพระอาจารย์แต่ว่า ไม่ไม่ไกลจากบ้านเท่า <ใน S 2> ไหร่ค่ะพื้นที่อันเดียวกันพื้นที่จริงๆแล้วแบ่งออกเป็นสองโซนค่ะพระอาจารย์ตัวบ้านก็จะมีประตูหลังบ้านที่แบบบล็อกเหมือนเป็นส่วนหลังบ้านค่ะแล้วส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนไอ้ต้นไม้อะไรพวกนี้ค่ะพระอาจารย์กไ็ไม่มีลวไม่มีลวรอบขอบชิดมีมีลวรอบขอบชิดอีกอไปอีกโซนหนึ่งใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันอะจะเป็นโซน ซิกนึงจะเป็นรดน้มค่ะพระอาจารย์ก็แต่ว่าก็จะมีมีต้นไม้อ่าค่อนข้างหนาก็ถ้าใครจะมุดมาก็มุดยากอยู่ค่ะแล้วก็มีประตูปิดเปิดมีกุญแจอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะมีความรู้สึกน่ากลัวบ้างไหมเออก็ ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันน่ากลัวค่ะพระอาจารย์มันก็วิววิว่าเอ๊ะจะลงไปก็ไม่กล้าสักทีแต่พอวันที่ตัดสินใจไปก็ ก, ก็ก็เฉยเฉยค่ะพระอาจารย์รู้สึกก็รู้สึกปลอดภัยเมื่อเราเข้าไปอยู่อยู่ในตัวตัวตั ว, ต, วตัวบ้านไห้ไผ่นั่นนะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ไม่คย่ยไ ม, ไม่ไม่รู้สึกกลัวอะไรก็เหมือนเป็นบ้านของเราอีกหลังหนึ่งเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วดีไหมนะที่มันสงบกว่านในบ้านตัวบ้านใหญ่ มันรู้สึกว่าอากาศมันมันมั น, มนดีกว่าค่ะพระอาจารย์เหมือนมันเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็พอตอนเช้าตื่นมามันก็รู้สึกว่ามันอยากตื่นเลยแล้วก็มาเดินจงกรมค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านก็ตื่นมาแล้วก็อยู่ในห้องนอนก็ก็อยากจะนอนต่ออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในความรู้สึกค่ะเดี๋ยวค่อยหาโอกาสลงไปใหม่ค่ะตอนนี้ ค่อยๆทำให้ที่บ้านชินหน่อยๆตอนนี้เขาก็ก็โทษหนูว่าทําให้คุณพ่อไปนอนบ้านสวนเพราะว่าเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อหนูนี่แหละคุณพ่อก็เลยไปนอนบ้านสวนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้อาวุโสมันพ่อเ<ป>มีบ้านอยู่อยู่ที่เดียวกันเลยไม่ค่ะห่างไปประมาณสามกิโลค่ะจะเป็น oh. เป็นแต่ก่อนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่นาค่ะแล้วก็ไปขุดบ่อแล้วก็ปลูกต้นไม้ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แคุณพ่ออ่าก็มีบ้านหลังปลูกเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กไว้หลังหนึ่งค่ะแต่เป็นชั้นเดียวห้องเดียวคุณพ่อก็เลยได้โอกาสไปนอนแล้วก็ฟังธรรมก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พ่อบอกว่าสงบดีอา่าดีแยกกันอยู่ใช่ค่ะคุณพ่อก็ปีกไปเลยคุณพ่อบอกขอไปอยู่สักแต่คุณพ่อไปไปกับกบนะคะพระอาจารย์ก็คือไปนอนแต่เช้าก็มามาทานข้าวกับลูกๆ ตอนเย็นก็ก็ไปใหม่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็ยังดีค่ ะ, ค, ะคุณพ่อก็บอกว่ามันสงบแล้วก็ได้ฟังธรรมก่อนนอนซึ่งแต่ก่อนคุณพ่อไม่ไม่ฟังธรรมไม่อะไรเลยค่ะพระอาจารย์อตอนนี้ดูดูดูจะตั้งใจฟังธรรมดูลมหายใจก่อนนอนมากขึ้นค่ะคุณพ่อน่าจะตั้งใจกว่าหนูแล้วค่ะตอนนี้ <laughs> ค่ะก็ของหนูก็ยัง อปฏิบัติแล้วก็พระอาจารย์เจ้าคะเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเวลาคุยกันเราก็จะเห็นเห็นเห็นอัตราตัวตนเหมือนมันมีการแข่งขันในคําพูดทั้งที่เป็นเพื่อนเพื่อนรักกันอะไรเงรี้ยค่ะพระอาจารย์ตอนหลังเราก็ได้ไม่ค่อยเล่าอะไรของเราแล้ว <laughs> จะได้ไม่ต้องแข่งกัน <laughs> เหมือนทําให้เราอยากจะเงียบมากขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำจะมีจะต้องพูดก็อย่าพูดฟังดีกว่าค่ะ ค่ะเหมือนตอนหลังเห็นแล้วว่าเอ๊พูดไปเหมือนเขาก็ไม่ได้ไม่เจ ต, ตนาเราพูดอาจจะไม่ได้อะไรอย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพูดไปแล้วก็มันจะมีคำเหมือนเหมือนการแข่งกันในคำพูดออกมาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทำให้รู้สึกเอองั้นไม่ทให้ความรู้สึกอยากพูดอะไรต่างๆแล้วอะไรต่างๆให้คนให้เพื่อนต่างมันหายหายไปเยอะเหมือนกัน<อ>ค่ะพระอาจ <C> e <an> ารย์คุยแค่เที่องค่ <C> e <an> ะ <C> <an> ค่ะตอนหลังก็เลยคุยคุยแค่เรื่องที่เราจําเป็นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, าาคะที่เหลือก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ก็ยันหย่อบ้างอยู่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์เหมือนพองานเยอะแล้วก็ <c oughs> วก็ก็หย <c oughs> <ๆ>่อนลงค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ยังรักษาใจอยู่ค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่โกรธไม่อาราธไม่อะไรใครค่ะจิตก็สงบดีค่ะแต่ว่าเรื่องสมาธิกับสติ ก็ดูย่อหย่อนค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเราต้องทำเรื่มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะเบาๆแต่พยายามค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็นั่งสมาธิแล้วก็ทุกวันอยู่นะคะแต่ว่ามันนั่งได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะพระอาจารย์พยายามนั่งเช้าเย็นแต่ว่ามันแต่ก่อนได้ยีชั่วโมงกว่าตอนนี้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองค่ะพระอาจารย์สั้นลง ค่ะก็ทําต่อไปแล้วกันอย่าให้อย่าเลิกทําำแล้วกันบ้างน้อยก็แล้วแต่โอกาสค่ะได้ค่ะพระอาจารย์มีเท่านี้คะมีเท่านี้ค่ะสาธุค่ะสาธุเนี่ยไปที่คือหลวงพอาสนาต่ออันนี้อยู่ที่ไหนกรทมเลยค่ะค่ะพระอาจารย์กรทมค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะก็ไปส่งน้องเขาน้องเขาทากันบ้านเลยค่ะ ทำข้อสอบแล้วค่ะก็ไปอย่างสงบไปนะคะพระอาจารย์แล้วก็หน้ายิ้มด้วยค่ะคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ค่ะที่พระอาจารย์ให้ได้ฟังก็หน้ายิ้มเลยนะคะพระอาจารย์แล้วก็ดูเขาแอบไปสงบค่ะเขาดูเหมือนกับเขาก็เอเข้าสมาดึของเข้าสมาธิไปเลยเนะคยพระอาจารย์ก็ไปงานซึ่งกับจากงานเขาเนี่ยค่ะแล้วหนังสือก็เสร็จพันหนังสือพระอาจารย์เสร็จพันนะคะเขาได้เห็นก็ได้นูมอนทานาที่เขาจะแจกในงานตัวเองค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ได้ยินเออถ้ารู้ค่ะที่ท่านอาจารย์ที่ขออนุญาตท่านอาจารย์แต่เขาชอบแล่มนีมากเลยเขาก็เลยเขาก็เลยเขียนขอว่าให้ให้พิมพ์ให้พิมพ์แล้วก็แจกในงานสพตัวเองคือเขียนคําขอเนี่คะเพราะเขาเตรียมทอมเขาไม่กลัวตายแต่ว่าแต่ค่ะแล้าก็แล้วก็จนช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้หมอฟินเลยค่ะพระอาจารย์ก็สติก็ขอที่พระอาจารย์สั่งไปฝากไปบอกบอกว่าให้ทําสติรู้สึกว่าเขาก็น่าจะโอเคนะพะอาจารย์ก็เห็นที่พระอาจารย์บอกเลยว่าเออตอนนี้เรา คือรู้สึกไม่ได้ไม่มีร้องไห้เลยนะอาจารย์ไม่เสียใจไม่เช้าเพราะรู้สึกว่าทําทุกอย่างให้ได้เต็มที่ก็เห็นเพื่อนมางคลเขาร้องไหก้ก็เอเข้าใจที่พระอาจารย์เคยบอก mm hmm. คือแบบว่าทําให้ตอนที่ขณะมีชีวิตอยู่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะครัาอาจารย์สําหรับตัวเองก็ไม่ก็ตั้งใจในการทําตลอดแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าช่วงหลังช่วงอาทิตย์สองสามอาทิตย์เนี้ยก็เห็นเห็นมโนนัสติเห็นความตายได้ตลอดนะครับ mm hmm. อาจารย์รู้สึกเลยิ mm hmm. ย่งว่ายิ่งยิ่งรู้สึกว่าเออ มันมันต้องไม่มาหาจริงๆค่ะอาจารย์ก็ทำลอดน้องเข้ามาทิดตัวเราด้วยนะโอเวนีก้องอะมาเลยค่ะพระอาจารย์นั่งนั่งังพาสวดเนี่ยน้องมาเลยรู้สึกโอเวนีนออน่โกค่ะเข้าใจที่พระอาจารย์บอกสรรพทีิโกแล้วก็เอหิปสิโกใช่ไมแล้วก็โอว ไ, ไนโกถามพระอาจารย์ตั้งใจทำพระอาจารย์ค่ะเก็ไม่ควรจะุกข์ตลอดใจเราไม่ทุกข <ใจ S 1> ์ไม่เศร้าก็โอเคทาไม่ทุกข์ไม่เศร้าเลยค่ะพระอารย แปลกใจมากเลยพระอาจารย์เออคือสมัยก่อนนี่ต้องร้องไห้เหมือนกันนะเพราะว่าสนิทแล้วก็รักน้องวันนี้เออตลกมากเลยพระอาจารย์เข้าใจที่พระอาจารย์บอกคือเพราะเราทําเต็มที่แล้วแล้วก็เราสงบอาค่ะพระอาจารย์ทำใจสงบได้ตลอดทุกที่เป็นเรารู้ด้วยว่าเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแค่แทรกตัวเขาออกจากร่างกายออกไปนะใช่เขาไม่ได้ไปไหนใจยังอยู่ร่างกายมันสลายอันนี้เข้าใจเลยพระอาจารย์แล้วร้องเพราะาเข้าใจค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเออค่อย ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะน้องเขาก็มาเจอพระอาจารย์ไม่ได้นานแต่ว่าเ พ, เ พ, เพ อ, เอิญหนึ่งที่ว่าเขาอาจจะโชคดีมีมะเรง็งทําให้เป็นบทที่ เ, เขาต้องมาตั้งใจในการทําอาจจะเป็นโชคดีของเขาเข า, เขาไม่เคยปฏิบัตินะคะอาจารย์เขาถึงทานรู้ใช่เขาไม่เคยปฏิบัตินะคะพอมาฟังที่พระอาจารย์แล้วฟังเทปของหลวงตาชุดทำ ม, มาชุดเตรียมพร้อมอะคะ่ะเออแบบอืมตายเลยอะพระอาจารย์นั่นแหละคู่มือตายคู่มือคู่มือคู่มือช่วความตายค่ะพระอาจารย์ ขอบพระคุณมากเลยค่ะอค่ะค <East. S 2> <größ protections S 1> ่ะขอบคุณไปที่น้องอ้อมทต่น้องที่ชมพูลบวินไม่มาตรการค่ะไม่มีคำถามจวที่แล้วยังยังค่ะเดี๋ยวจอยเดือนหน้าค่ะพ่อจอยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พาอาจาร์มากลับมาจากบินธบาทเร็วใช่ไหมคะช่วงนี้มันพาที่มันขึ้นเร็วเ อะไรเริ่มบินธบรตะตั้งแต่หกโมงตีห้าสี่ตห้าเริ่มบินธรรมะในช่วงนี้บางวันคนเขาไม่มากมันยิ่งเสร็จเด้ ไ, ไหญ่วันเสาร์เมื่อคีไปแล้วเจอแต่รถบัเจอดอยู่ไม่เจอพระอาจารย์แล้วไปไม่ท<า>ันค่ะค่ะที่วัดใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยเข้าไปที่สาราฉันแทนค่ะโ อ, อเคไม่เป็นไรทำบุญกับใครก็ได้เหมือนกันค่ะอดอได้ทำมะด้ว <laughs> ย ปกติเวลาเจอพระอาจารย์จะให้ทำมาค่ะรอบหน้ค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคคาทุกาคุณสปัชญ์เท็กซัสเนลสฟอร์ฟอรเวสนเด็กค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอร้องฝังรม ญาติโยเขาอยากจะไปสร้างวัดแถวอริงตันครไปไมแถวอาร์ิงตันเอเยจ้าค่ะเธอผ่านเจ้าค่ะ็ตอนนี้มีวัดธรรมกาอยู่ที่นั่นเลเออลูกไม่ค่อยทราบอะไรชอยู่แต่อยู่แต่ตนเองเจ้าค่ะโอเคไม่เป็นไรเลยไม่ค่อยทราบอะไรเจ้าค่ะคิดว่าอาจจะรู้เรื่องของ การเคลื่อนไหวของชาวพุทธไทยเราในเท็กซัสเป็นยังไงบ้างไม่ไม่เลยเจ้าค่ะลูกไม่ได้ตามอะไรเลยเจ้าค่ะลูกไม่ได้วันไม่ได้ไปวันเลยไม่ไม่เจ้าค่ะมาวันให้วันเดียววันวันวันซูมลูกขอนะจอนจันวันจันวันจันถึงสุกรูกก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ให้เวลากับครอบครัวบ้านแล้วก็วันพุธก็คือเนี่ยแหละเจ้าค่ะลูกก็ มาเข้าเรีย น, ยนชีวิตก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเลยไม่ได้ไม่ได้ทราบอะไรกับใครเขาเลยเจ้าค่ะดีก็แหละจะได้ไม่ต้องมาแบ่งไม่ต้องมาปวดหัวด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าแค่ฝึกสติรู้ว่าลูกเป็นคนสติไม่ค่อยแข็งแรงสติน้อยเจ้าค่ะก็ต้องทุ่มทุ่มเยอะเจ้าค่ะใช้เวลายเยอะกับการปฏิบัติ ไม่ง่ายเจ้าเป็นคนฝึกไม่ค่อยง่ายก็เลยต้องให้เวลากับตนเองมากๆเจ้าค่ะมีอะไรไหมคืนี้วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะยังปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะเพียนพยายามเรื่อยๆเจ้าค่ะตอนนี้คุณพ่อไม่มีคำถามแล้วนะคุณพ่อไม่มีคำถามเจ้าค่ะคุณพ่อตอนนี้สนใจการเมืองอยู่เจ้าค่ะอาจจะเพลยไปพักหนึ่ง เจ้าค่ะมีเขาลูกมีเออฟัดึกได้ลูกมีคำถามเจ้าค่ะมีอยู่อาทิมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่ดีๆลูกก็เกิดเกิดเปิดรัวนะเจ้าค่ะก็คือคือสองสามวันมันมันรู้สึกลงมากอะเจ้าค่ะหมายถึงแบบมันมันรู้สึกข้างในก็ร้อนแล้วก็แล้วก็สติก็แบบพยายามดึงเท่าไหร่มันรู้สึกเหมือนคน อยู่ดีๆมันกับกลายเป็นเหมือนคนไม่ได้เคยฝึกอะเจ้าค่ะมันอ่อนมากเจ้าค่ะแล้วลูกก็แบบรู้สึกหมดแรงแต่ลูกก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะต า, ตามตามตารางที่ตั้งไว้เจ้าค่ะแต่รู้สึกเมื่อวานเนี่ยดีขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะหมายถึงบางครั้งก็ลงหรือว่าเพราะว่าลูกอ่อนลูกไม่ทราบตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะก็เป็นไปได้มันก็เป็นเบาช่วงมัยาจะอ่อนอ่อนลงไป ไฟทามาจจะอ่อนแล้วไฟที่เลนอานจะแรงขึ้นแตอะไรส่งผลมันเกิดความรู้สึกต่างกันไมไปทั้งๆ ท, ที่เราก็แบบพยายามเพียนต่อเนื่องแต่ก็อยู่ดีๆรู้สึกมันมันลงแบบลงแบบงงเลยอะเจ้าค่ะแต่ลูกก็ถือหลักที่พระอาจารย์สอนคือว่าเออมันเป็นไตรักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็ <S <S แล้วลูกก็ยังอาศัยความเพียนเจ้าค่ะก็ดื้อดัน ดันตัวเองไปเรื่อยๆอะเจ้าค่ะถึงมันจะลงอะเจ้าค่ะมันเป็นตายรากถั่วแล้วลมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอแล้วลูกก็เลยอาศัยแบบรีบเปิดฟังเทศฟังธรรมให้มีกําลังใจเพื่อเขิมแล้วก็พยายามยึดวินัยตัวเองอะเจ้าค่ะไม่ยอ่อหย่อนเดี๋วก็จะได้รู้ว่าจิตเรามันยังไม่มั่นคงจิตเรายังขึ้นๆลงๆอยู่ อืมใช่เจ้าค่ะวางใจไม่ได้เลยเจ้าค่ะมันมันมันไปมันมามันมันเปลี่ยนจนแบบเราแบบบางทีเราก็รู้สึกแบบรู้สึกเบื่อหน่ายกับจีแล้วเจ้าค่ะว่าทำไมมันมันมันมันไม่มันไปมันมามันอย่างเนี้ยเจ้าค่ะมันยังไม่เทียมมันยังไม่เทียมก็อาศัยความเพียรไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะให้รู้ทันแล้วก็อย่าไปทุกกับมัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าทอ้อใช่ไหมเจ้าค่ะถึงมันเหมือนจะเหมือนมันจะแบบอยู่ดีๆเหมือนก็เหมือนกับว่าตัวเองแบบเหมือนไม่ได้ฝึกเลยเหมือนกับอะไรกับพี่ลูกเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้ร่วมันเป็นแบบนี้แล้วพยายามตั้งใจด้วยสติของเราใหม่เราจะตั้งใจอาจจะบอกสติอาจจะหายเลยรับงปั๊ปหนึ่งก็ได้สติหายแล้วรีบมาสติมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ มีคนบนด้านพู ด, พดโทรไปอะไรไปเจ้าค่ะเดี๋ยวสักแป๊บมันจะกลับมาตั้งมั่นเหมือนเดิมเจ้าค่ะพราะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ลูกก็พยายามนึกถึงคําสอนของพระอาจารย์ให้นึกว่าไปทุกอย่างเป็นไปรักแม้กระจิตก็เลยลูกก็เลยเอามาใส่ว่าแม้แต่จิตก็เป็นไปรักเจ้าค่ะก็ะลเลยทําให้ทําให้ว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีก็ ก, ก็ก็อยู่กับมันนะเจ้าค่ะแล้วก็เพียน อาศัยความเพียรอย่างเดียวเจ้าค่ะสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือสติเนี่ยเวลาจิตมันตกก็พยายามใช้สติกนึกมันขึ้นมาได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่าคะาาคาสาธุเจ้าค่า ะ, ะไปที่ก้าวข้าพที่กสุราธานีครับสํานั ก, กนายรัชการครับก็มามามาส่งเรื่องพิจารณาหารครับตก็ท<ำ>ํา <c oughs> ทำหลายรอบแล้วครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับคือถ้าได้มากสุดก็คือว่ามีสติตอนกินเท่านั้นนะครับแล้วเหมือนเมื่อวันอาทิตย์เนี้ยครับผมขับรถไปกะบีครับไปปฏิบัติธรรมครับที่ที่วัดแหลมศักดิ์ครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทเทศรังสีครับท่านอายุประมาณเก้าสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบพันษาครับก็ไปภาวนาไปเดินจงกรมครับ อ่าที่ใต้เจพัเจดีครับก็ผมรู้สึกชอบเดินครับอาจารย์ก็คือก็ตอนแรกก็เดินไม่ได้แต่พอเดินไปหลายรอบแล้วรู้สึกว่าผมใช้พุทธโธครับแบบสติกับพุโทโธนี่คือเหมือนเป็นอันเดียวกันนะครับพอก้าวเปิบพุโทโธแบบคือสติต่อเนื่องตลอดเลยครับเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโงครับแต่ว่าเสียดายการปฏิบัติทําทําได้น้อยเพราะว่ามีเวลาแค่วันเดียวครับตอนเช้าก็ได้ไปสบัด ท, ท่านครับ ท่านท่านก็เมตตาท่านก็ถามอะไรเงี้ยครับแล้ท่านบอกว่าออ่ต้องต้องทรงสมาธิให้หรือว่ารักษาสมาธิให้ได้ตลอดเวลาครับอท่านท่านพูดสั้นๆครับท่านไม่ได้อะไรครับนีเพอให้ทรงสติไว้ตลอดเวลาอา๋อก็ก็ถ้าถ้าที่เข้าใจก็ประมาณว่า มันเรามีสติแล้วก็ดูสติของเป็นคือแยกออกมาดูใช่ไหมครับไม่จิตเราปรุงแต่งให้จิตเราสงบเป็นสมาธิครับท่านรู้สึกยากพอสมควรแต่ก็รับรับมาครับแล้วก็บอกท่านว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปกราบหมายท่านบอกว่าให้มาบ่อยๆครับรู้สึกว่าสถานที่มันจะติดทะเลครับประจา์อยู่บนเขาแล้วก็รู้สึกมีความสงบถึงว่าจะมีเสียงข้างนอกแบบเป็นมัสยิดแถวนั้นนะครับ<ม>ก็สงบกับการเดินผมชอบเดินครับ ครับก็ักได้ที่นี่เราไปบ่อยๆไปเรื่อยๆใช่ใชชครับต้องมังคับตัวเองถ้าไม่มางคับไม่ไปหรอกได้ได้ครับอาจารย์ก็พยายามจะไปครับต้องไปทุกอาทิตย์ต้องกําหนดไว้ขออนุญาตหนึ่งชัมทุกอาทิตย์โอ้โหแล้วมันไกลเลยจากกระบี่กระบี่ไม่ไม่ไกลครับรถสองชั่วโมงปุ๊บเดียวถึงครับอาจารย์ สองชั่วโมงแต่ว่าคิดว่าคิดว่าตอนแรกคิดว่าประมาณแบบอ่เดือนละสองครั้งอะไรเงี้ยครับสองครั้งก็ได้เยนะสองั้ให้มันมีเป้าหมายก็แล้วกันอย่าอย่าคิดอย่าทำตามอารมณ์เพราะมันนานจะทำทุกทีถ้าทำตามอารมณ์สงบครับพระอาจารย์รู้สึกว่าสถานที่นี้ถูกถูกกับตัวเองครับอ่ดีก็ไปเลยไปเรื่อยๆก็มารายงานยังก็ เราคิดถึงว่าาจารย์ตลอดเวลาครับสาธุอาจารย์ขอครับไปที่บอวินีเขาเลยสุบัฒินาชมเลยการรำวสการพรอาจารย์ค่ะวันนี้มาขอร่วมฟังธรรมก็ค่ะโอเคไม่มีคำถาม้วคะก็นี้ี้อดได้คำตอบแล้วค่ะ อ, อาจารย์เป็นการแสดงธรรมบายสองก็พัจะอืมวันนี้ได้ฟังด้วยเลย ฟังทุกวันแล้วค่ะไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดเลยจ้าค่ะอาจารย์ฟังทุกวันวันนี้ได้คําตอบอะไรเลยวันนี้ก็อได้คําตอบว่าให้เพียนจ้ค่ะอาจารย์ในเรื่องก็ค่ะก็ค่ะมาแปดมาคูนแปดก็ค่ะสี่ข้ออริยสัจสีข้ออฟังเข้าใจไหยเวลาเวลาฟังไป เข้าใจเจ้าคะ่ะพาอาจารย์ว่าตรงนี้ที่เรียนที่เรียนเข้าใจกับพระอาจารย์ตั้งแต่แรกๆแล้วเจ้าคะ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามาทําความเข้าใจแล้วก็มาปฏิบัติตามตามข้อที่ที่มันเป็นในเรื่องของพวกสมุดไทยนี่โลดมาเจ mm hmm. ้าคะ่ะพรอาจารย์ hmm. ก็เดินเดินเดินในทุกข้ออยู่เจ้าคะ่ะ mm hmm. ต่อปฏิบัติแล้วตอนนี้ก็มาพยายามเพิ่มสมาธิให้ตัวเองนะคะที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้หลับเจ้าค่ะะอาจารย์ให้มีสติในขณะที่นั่ง อยู่ไม่ว่าจะจะจะหลับจะหมายถึงว่าจะหลับตาไม่หลับตาก็คือให้มีสติรู้ตัวไม่ให้เงียบไปเฉยเฉยกับการฝตรงนี้อยู่จังหวะโอเคสาธุเจ้าค่ะอาจารย์ให้มีการใหการทักถึงแรงก็คือสาธุคุณตายพัทยาคุณตายแต่ปฏิบัติแบบเตาสมบูรณ์น้องราชการครับท่านอาจารย์ก็ยัง ยังไม่เท่ามันยังไม่ดีเท่าเรียกวก่อนค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปฟังธรรมพระอาจารย์ตื่นขึ้นมาก็บอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะไปเที่ยวพระอาจารย์หนก็ลองดูนะคะว่าถ้าเราคิดอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราจะตั้งใจจะไปเที่ยวจริงๆอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขหรือเปล่าหนูก็ลองดูนะคะเพราะแต่พอดีว่าอาทิตย์ที่ผ่านมา น, นี้ที่ไม่ได้ไปด้วยก็เพราะว่ามีช่างมาทําซล่าเซลล์ที่ ที่ที่<ห> น, <ะ>น้างานนะค ะ, ะค่ะแล้วก็ก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปดูตรงนั้นเสร็จแล้วก็วันนี้จะไม่ไปฟังธรรมแล้วก็จะไปเที่ยวที่ไหนได้พอพอพ อ, พอไม่ได้ไปจริงๆเนี่ยพอถึงเวลาผู้อาจารย์หรือถ้าจะอยู่ไม่ทด้เลยแบบอุ้ยเสียดายเสียดายอย่างเดียวเลยคะาา่ะอาจารย์เสียดายที่ไม่ได้ไปฟังเนี่ยค่ะสอบโตแล้วคะาา่ะอาจารย์ในที่ที่ผ่านมา ความพิชของกิเลสมันเร็วกว่าความพิชของธรรมว่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันมันไม่มีความสุขนะคะพระอาจารย์ที่คิดว่าจะเที่ยวแต่พอไปกินข้าวเสร็จหนูก็บอกว่ามไม่ไปละกลับบ้านก็กลับบ้านก็ไม่ได้ไปไหนอ ย, อยู่ดีคะ่ะพระอาจารย์แต่ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปฟังธรรมก็ฟังที่บ้านก็ได้ไมีถ่ายทอดสอ่วนี่ยค่ะไม่ค่ะพอดีอยู่ข้างนอกด้วยค่ะไปกินข้าว อ, าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนกินไปก็ จป็นช่วงที่พ่อจานันเพลิดนะคะใช่ไหคะใช่ค่ะ เ, เพราะว่ากว่าจะออกไปหน้างานแล้วก็กว่าจะไปหาข้าวกินอย่างเงี้ยเสียดายอย่างเดียวเลยกับข้าวไม่อร่อยเลยค่ะกับข้าวไม่อร่อยก็บอกว่าพออิ่มเสร็จแล้วก็ถางกันว่าวเราจะไปไหนดีไม่อยู่ที่ไปก็เลยบอกว่ากลับบ้านเถอะกลับบ้านก็อยู่บ้านต่อไม่ได้ไปทําอะไรเลยแต่รู้สึกเสียดายสุดโอเคพยายามใหม่พยายามใหม่ นะะ <laughs> ้ถ้าจพ่อจางอยากคิดไปเที่ยวเองถ้าจะไปเที่ยวต้องมีคนมาชวนหรืออะไรค่อยๆไปหนึ่งยี่ไม่ดีสุดใช่ไหมคะเออถ้าคิดเองนี่เดี๋ยวมันยิง่งไปมันยิง่งคิดบ่อยอ่าข้าจะไม่คิดนะคะไม่คิดแต่ถ้ า, ถาจะถ้าจะไปต้องรอให้ใครมาชวนเราไป <laughs> อนนี้ไม่มีอะไรและะาา้วค่ะอาจารย์บอกตัวเองว่าสอบตกอีกแล้วก็เวลาก็ต้องทำไปเรื่อยๆใหม่ๆก็มายกักบในที่ล้มล้กทุกค์ขนเนี่ยต้องปนล่อยแล้วเก้ไหมจาะหรือระยะเวลาหนูมันนาไมากไปหนูเดินช้าจริงๆแต่ก็แต่ก็พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็ ทางด้านการทําทานก็ ย, ยังไดีทำบุญเ น, นี่ยก็ยังทีดว่าหนูก็ก้าวหน้าอยู่พยายามอยางพยายามทำบุญอยู่มาเกือบมาเกือบทุเ ก, กชเช้าองนี้ค่ะก็พยายามทําอยู่เรื่อยๆค่ะทําให้บ่อยที่สุดค่ะอาจารย์เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนหนูก็คิดว่าวระยะทางหรือว่าถ้าเราหลังจากชีวิตหลังความตายเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าเราอาจจะไม่ถึง ไปไม่ถึงในสิ่งที่เราคิดแต่คิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้ได้ถ้าเราทําบุญอยู่ทุกวันเนี่ยไปสบายเนะไปสุขโต้ครับเธอใช่โอเคนะขออาจารย์มีท่าขันข็งแรงนะคะอสาธุาธคุณบังดีกาเชิญบังดิกาสองแม่ลูกเขายังไม่ได้กลับมั้งเพราะว่ามันได้เข้ามาทําอยู่ตามนมันจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ ก็วันนี้ก็เข้ามาก็ร่วมคัามธรรมนะคะพอาจารย์ออไม่มีคำถามคะโอเคไปที่ท่านตอบไปเลยเป็นแม่น้องหลินเด้อ้องหลินน้องหลินที่ผ่าตัดหลายๆอรอบเลยป่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วเงได้เข้ามาได้กับสาธุเจ้าค่ะออใช่ป้าหนูเองคะ่ะพระอาจารย์ ต้องเล่นที่ผ่าตันอยู่เด้วยนี่แหละใช่ค่ะผ่าตัดพอดีว่าที่ผ่าสมองจะผ่ระอาจารย์แล้วตอนนี้ก็คือว่ามีเรื่องอฮอร์โมนต่อเจ้าขาะอาจารย์ทีนี้มาดูปัญหาก็เกี่ยวกับประจำเดือนใช่ไหมคะเพอาะหนูอายุยังน้อยเจ้าขาะาอาตัดนี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเสียเลือดมาก ข้างในก็บอกว่าวิธีการแก้ก็คือต้องเอามวลูกออกอะค่พระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้โหลุกเอาไว้วเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>ตั้งแต่ขาจนถึงสมองแล้วก็มาที่มดลูกก็จะต้องเอาออกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหนูก็เลยคิดว่าพอแล้วมันรู้สึกว่าจะผ่ากันถูกจุดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยคิดว่าเออถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะมันมันมันเสื่อมไปหมดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ ยาก็ไม่ได้ช่วยแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอย่างเดียวคือต้องตัดมวลลูกออกนะคะถึงก็สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไว้ก็แล้วกันเจ้าบอกเจ้าค่ะใช่ค่ะอาจารย์จะเป็นนักสละก็สละไปเพือ่อให้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็จะได้ใช้ปฏิบัติธรรมต่อไปได้เจ้าค่ะต้อสงสัยหนูหนูก็เลยสงสัยตัวเองว่าโอ้โหหนูหนูเจอความทุกข์ตั้งแต่หัว เท้าถึงสมองใช่ไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์หนูอยู่โรงพยาบาลก็หลายโรงพยาบาลแล้วก็หลายหลายผาแผนกด้วยเจอแต่ทุกข์หมดเลยเมื่อคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เลยมาเจอกับตัวเองด้วยอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะขอให้ใจเราไม่ทุกข์ก็มันก็แล้วกันเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าเออหนูหนูจะนอนหนูแค่คิดว่าเออถ้ามันจะพังก็พังไปเลยดีดีกว่าฆ่าตัวตายถ้าถึงเวลาก็ให้มันไปไปเลยอย่าเงี้ยเจ้าคะ่ะใช่ถ้าไปาง่ายไปดีเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่า มันพังแล้วมันพังของมันเองเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเจตนาทํามันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ต้องไปทมันอย่าไปทํามันเป็นด้อยเด็ดขาดไปให้มันเป็นไปลายตามธรรมชาติเจ้าค่ะก็เลยคิดประมาณนี้เจ้าค่ะก็เลยว่าจะเกิดอะไรก็เกิดแต่ว่าตอนนี้สู้หาเงินใช้นี่ก่อนเจ้าค่ะเพราะว่าเกิดจากความอยากเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรอกนี่ถ้ามันมันไม่มีมันตายมันมันไม่มันไม่บาปหรอกเพราะมันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงเขา นุ้ยเล้วบอกว่าอ่ใช้เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหาหาเงินแล้วก็มาใช้หนี้ก็เลยมีแต่หนี้แต่หนี้เลยมีแต่ความอยากเลยเจ้าค่ะนุ้ก็เลยว่าโอ้โหนุคิดไปไกลมากเลยว่าอนาคตจะมันก็หมดหนี้ง่ายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลืมไปว่าร่างกายมันจะพังอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเลยไม่ได้เตรียมตัวไว้เจ้าค่ะก็เลยว่าใช้เยอะๆดีอะไรประมาณเนี้ยเจ้าค่ะนุ้ก็เลยหาหาหาอย่างเดียวเจ้าค่ะ ดื่มตัวร่างกายเวรเองจะพังแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องดูแลร่างกายพระเจ้าบอกให้สลาทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสลายอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเจ้า่ป ก, กังวลกับเรื่องเงินทองมากเกิเงินไปชีวิตเราไม่ขาดมาตอนแรกเจ้าค่ะ ต, ตอนแรกหนูกําลังสนุกกับกิจกรรมโอ้โหกำลังสวยสุขสุขมีความสุข ก, กับความสวยกิจกรรมต่างๆเจ้าค่ะ พอเวลาพี่การโอ้โหมันก็เลยบอกว่าไม่เห็นหน่าสนใจเลยโอ้สวยยังไม่สุดเลยเจ้าค่ะมาต่อโวยร่างกายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกำลังในงานดีก็แลวัเราได้เห็นเทวทูตนะพรกค่ะพระอาจารย์เราจะได้ไรเราจะได้ปฏิบัติมีอะไรมันกระตุ้นให้เราต้องปฏิบัติถ้าอะไรอยู่กับความสวยความงามอยู่มันก็จะหลงไหลข้างใคร้ไปกับมันไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรม เจ้าจค่ะสาธุค่ะใช่เลยเจ้าค่ะพรอาจารย์ทัน ท, ทีเห็นอะนาตมีเยอะมากแล้วเห็นศพเยอะมากแต่ลืมไปว่าตัวเราเองเห็นจากภายนอกเจ้อค่ะเห็นจากคนอื่นลืมดูตัวเอง<ด>เห็นจต่ตัวเองว่าขึ้นสวยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดีมองบันไดโกเป็นกลับมาที่ตัวเราเจ้าค<ๆ>่ะพอาจารย์ต้องสู้ต่อไปนะลักษาใจไวอย่าไปทุกกับอะไร ปล่อว อ, อะไรจะเกิดก็เกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป <c oughs> สาธุค่ะไม่มีคําถามเลยนะไม่มีแล้วเจ้าค่ะโอเคอะไรที่คุณวัดชีวชัดชีไม่ทราบวัดชีอะไ ร, ไ ร, าารอยู่ที่ไหนครับกรรมธรรมสการครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอรับอยู่เชียงรายครับอาจารย์อืมีอะไรมามีม จริงๆก็มีโอกาสได้ไปกราบพระอาจารย์สองครั้งนะครับมาอยู่ไกลปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ปีนี้อีกครั้งหนึ่งตอนเดือนที่แล้วครับพระอาจารย์ mm hmm. ก็ก็ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาพระอาจารย์นะครับที่เมตต า, าให้โอกาสแล้วก็เป็นเป็นที่พึ่งนะครับทางาทางธรรมนะครับซึ่ง ที่ตกใจอาทิตย์ที่แล้วก็คือที่เห็นพระอาจารย์ป่วยครับ mm hmm. วันนี้ก็เลยตัดสินใจอยากจะขออนุญาตเข้า z ู o ปกติก็จะฟังทางนอกครับอาจารย์ mm hmm. แต่ว่าอได้บทเรียนก็คือก็ชอบฟังธรรมะมาตลอดแ ต, แต่ว่าก็ไม่กล้าเข้าหาครูบาอาจารย์ในบางครั้งนะครับก็เลยทําให้บางทีครูบาอาจารย์ดีดหลายหลายท่านก็แจกเราไปนะครับ ก็เลยเป็นได้สติเตือนใจว่าถ้าเรายังปล่อยไปเ ร, ยเรื่อยอย่างนี้ก็วันหน้าเราก็จะขาดโอกาสตรงนี้ไปครับวันนี้เลยตัดสินใจเข้ามากราบพระอาจารย์และขออนุ ญ, ญาตขอโอกาสขอเมตตาพระอาจารย์อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องออทัศนคติบางอย่างนะครับและแนวกางปฏิบัติบ้างอย่างเช่นกระผมะคิดว่าหลังจากที่ฟัง แนวเทศนาของพระอาจารย์มามาหลายปีนะครับดูทาง u t u b e ก็รู้สึกว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็ถูกจริตแล้วก็มีความก้าวหน้าในทางธรรมหลายๆอย่างบ้า ง, างหลายๆอย่างตามที่เคยเรียนพระอาจารย์บ้างนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ อ, อยากสอถามพระอาจารย์ว่าที่ข้าพเจ้ า, าคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นวิภูมิที่ดีแต่ว่า สวรรค์สมบัติหรือว่าอย่างอื่นนี่สู้สู้นิพพานสมบัติไม่ได้สักอย่างอันนี้ไม่ทราบว่าอจะถูกต้องประการใด ห, หรือไม่พระอาจารย์ครับถูกต้องนิพพานนี่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่มแต่สวรรค์ชั้นอย่างอื่นนี่ยังมีวันเสริมได้แล้วก็สุขไม่เท่ากับความสูง ข, ของพระนิพพานก็ก็พ อ, อ, อ, อเราคิดอย่างนี้หรือเปล่าทําไม บางครั้งชีวิตก็ค่อนข้างจะเจอหลายๆอย่างที่ที่ก็ห้องจะลำบากนะครับอาจารย์หรือว่าเราไม่ได้อยากได้ความสบายอย่างอื่นเราจะมุ่งนิพพานอย่างเดียวนี่คือแค่ความคิดนะครับปฏิบัติยังยังไม่เท่าไหร่เอ่อก็ไม่รู้ว่าเราจะท้าทายมากไปหรือเปล่านะก็หวังว่าอย่างน้อยขอขอโซดาปฏิผลนะครับเป็นที่พึ่งก่อนขั้งแรก ขอให้ได้ก่อนยังยังยังไม่มากหวังมากเท่าไหร่อันนี้พระอาจารย์เมตตาเห็นคนเป็นยังไงบ้างครับมันเราถ้าปรารถนาความอดทนอืต้องไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากต้องถือว่าเป็นเป็นข้อสอบเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญดังั้นอย่าไปกลัวมันคนที่อยากจะไปโสดาี่ต้องอยู่ภาคใต้ต้องต้องไม่กลัวตาย กลัวตายกลับไปไม่ได้ครับอาจารย์ครับหลังจากที่ได้ทบทวนการปฏิบัตินี่ก็ไม่สม่าเสมอนะครับอาจารย์แต่ว่าฟังฟังธรรมะเฉพาะของอาจารย์นี้ทุกวันเลยนะครับอาจารย์ก็หลังๆความความคิดก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรื่องการอยากจะแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางพิชารารพอดีเป็นเป็นครูบาอาจารย์ครับอาจารย์สอนทางวิทยาศาสตร์ หลังๆก็เลยไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะไปไม่มีความตื่นเต้นที่จะไปศึกษาความรู้อาที่ที่มาใหม่ๆเยอะแยะมากมายเพราะเพราะตัวเองคิดว่าพวกนี้ก็รู้ไปเท่านั้นแต่ว่าหน้าที่ในการสอนลูกศิษย์ลูกหา ก, ก็ยังทำเต็มที่ไม่ทราทราบว่าะวะตรงนี้นี่จะผีดถูกประการได้ไหหรือไม่ครับอาจารย์เออความรู้ทางโลกนะครัความรู้ท่วงเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากควาทุ ถ้าเรามีความรู้พอที่จะทําหน้าที่ของเราได้ก็ไม่ต้องไปขังวนครับการที่จะต้องไปเพิ่มเติมความรู้นอกจากว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่บังคับให้ทําที่ต้องทําตามหน้าที่เราก็ต้องทําไปแต่ถ้ามันเป็นความสมัครใจซื้อว่าเวลามาศึกษาทํางธรรมดีกว่าเราความรู้ทางธรรมดีกว่าสาธุครับเอบางทีทเทคโนโลยีก็ก็มีประโยชน์นะครับน้าอาจารย์อย่างน้อยก็าอาย่ไกลก็อย่างที่อาจารย์ว่า าา ก, า ก, การนับภาษการพระอาจารย์ทางนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับก็ต้องรู้จักประมาณมีเหตุมีผลในการใช้สิ่งเหล่านี้ใช้ใเกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ได้ใชใ้เกิดโทษก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาครับสาธุครับพระอาจารย์ขอขอสุดท้ายนะครับพ อ, อดีก็ลูกชายสองคนก็กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ก็ ไ ม, ไม่ค่อยรับเลื่อนอะไรครับอาจารย์อาจจะมีเหตุมาตัดร้อนก็ตั้งใจว่าอยากจะส่งเขาให้ดีที่สุดจบเป็ญญาตีก็ก็คิดว่าน่าจะพ้นหน้าที่ของพ่อของแม่แล้วเจรใจจริงเยี่ยงใจให้เขามีมีทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยติดตัวเข้าไปก็อยากให้เขามาอ่าสนใจปฏิบัติทางนี้บ้างนะครับก็ปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กๆใต้นี้นิดหน่อยเรื่องของการใส่บาตรทำบุญได้แค่นั้นครับอาจารย์ถ้าเราอาพอ เรตั้งใจว่าส่งเขาจนถึงจบปิญญาตีที่เหลือนี่ก็ค่อยเขาให้เขาเอาเป็นหน้าที่ของเขาแล้วเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วประมาณนี้ถูกผิดประการใดหรือไม่ครับอาจารย์ก็ไม่ผิดหรหน้าที่ของพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยดูร่วปให้เขาช่วยตัวเองได้เมื่อเขาช่วยตัวเองได้แล้วก็หมดหน้าที่ส่วนเนื่องทางธรรมก็อยู่ที่เราว่าเราสามารถโน้มน้าวเข้ามาได้มากน้อยขนาไหนแล้วก็โน้มน้าวเข้ามาถ้าน้อมน้าวไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตาม ทำบุญตามค ข, ขอพ่ะอาจารย์พักขันแข็งแรงนะครับรู้สึกภูมใจมากครับพ่ออาจารย์ขุกครับไปที่ USA เป็นจิน้มจากแมวเลานในมรดการพระอาจารย์ขอประธานโทษครับโยมเปียนไปลว มันภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ค่ะพรอาจารย์คือไม่ไม่รู้ไม่ทราบว่าแมน่าจะภูมิแพ้ค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็ตื่นมาแล้วก็แสบร้อนคอแล้วคือมันมีต้นไม้น้าต้านที่มันคล้ายๆดอกแครค่ะแต่มันมันไม่ใช่แต่มันเป็นพวงพวงแล้วมันดอกมันปลิวปลิวมาเลยแบบก็ก็ใครเกสรใครเกสรน่าจะใช่เจ้าค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ายิ่งอายุมากขึ้นมันก็ยิ่งเป็นมากขึ้นนะค่ะไม่ไม่ ก็เห็นแบบสัจธรรมว่าเออเป็นขึ้นทุกปีทุกปีก็เลยเออช่างมันเถอะเพียงแต่ว่ามันเพิ่งทานเมื่อเช้าเจ้าค่ะเพิ่งทานเมื่อเช้าค่ะแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่แผลแล้วมันเหมือนกับมีไมเกรนด้วยที่ปวดหัวยงก็เลยแบบเออช่างมันปวดก็ปวดไปทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็หายาทานค่ะดูแลไปเราไม่ได้เป็นมันเป็นคนไข้เราเป็นหมอเรา่ะ ใช่เจ้าค่ะโยมก็เลยแบบเออก็ดีไม่สบายก็ดีจะได้ทานน้อยๆจะได้ปฏิบัติมากๆแบบอาจารย์บอกแต่ได้ไม่ง่วง <c oughs> <c oughs> แต่บางทีแบบพอเวลาแบบอย่งางเมื่อคืนอยู่กันนายโยมก็นั่งสมาธิดี น, นึงแล้วก็แบบพอมันปวดหัวมากๆเข้ามันก็มันแขวนไปหมดเลยโยมแบบโอ๊ยทำยังไงดีเนาะก็เลยจะถามอาจารย์ว่าถ้าเวลาเราฝึกสติระหว่างวันนะคะสมมติถ้าเวลาโยมคุยกับพระอาจารย์โยมก็ต้องมีสติในการโฟกัสที่จะคุยกับพระอาจารย์ไม่มีการที่จะเอาความคิด วกแวกเข้ามานี่คือเรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทําอยู่ถ้ากําลังฟังก็ฟังอย่างเดียวอย่าปล่อให้ไปคิดเรื่องเรื่องนั้นเลยคือฟังก็ฟังสมาธินั่งก็นั่งอเวลาพูดก็พูดพูดอย่างเดียวค่ะก็คือถ้าฟังขอรูปไม่ใชู่ปเรื่องนี้เลยก็ไปคิดอีกเรื่องครอบกันอันนี้คือไม่มีสติก็คือพยายนสฝึบ่อยต้องทําให้ใจตึง ใช่เป็นหนึ่งคือเหมือนกับว่าถ้าเราทํากับข้าเราจับตะหลิวเราก็โอกาสที่ว่าตะ ห, ตะหลิ ว, วกยวกลง อ, อันนี้คือสติสติสต่ถ้าตัดตะหลิวไปแล้วก็คิดถึงเดียวเดีย๋ยวจะไปทไําใะไรวูในอะี่ต่อนี่ก็ไม่มีสติอ่าอันนี้ก็คือฟุ้งซ่านไปแล้วเอปุูงแตกอ๋อค่ะแสดงว่าโยมก็ยังยังมีเกือบนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เต็มเพราะว่ามันก็จะวกแวกตลอดเลย ก็ไม่เป็นไรต้องฝึไปเรื่อยๆก่อนของเ<ด>น้ไม่ใช่ของไม่ใช่ไปค่ะแต่ถ้าเรามีสติแล้วเรานั่งสมาธิบ่อยๆมันก็จะควบคุมสติให้แน่วแน่ขึ้นมักนก็จะจับ<อ>จิต<ล>ให้เน่ยให้สงบให้มีความสงบค่ะค่ะวันนี้ยมดีใจมากเลยค่ะที่อาจารย์อาการดีขึ้นมากแล้วเสียงไม่ใช่เสียงพากแบบอาทิตย์ที่<ม>แล้วแล้วนะคะ อ๋อเสียงว่าท่าทีที่แล้วเป็นแบบพระหนุ่มมาเลยเจ้ค่ะวันนี้เป็นพระอาจารย์ตัดจริงนไม่ค่ะเป็นพาที่เขารบละคงคงวิชามากค่ะโยมอยากให้พระอาจารย์เป็นแบบนี้ค่ะเป็นอะไรก็ได้ค่ะยังไงโยมก็นับรักคารวพระอาจารย์มากมเหมือนเดิมค่ะมันเป็นอนันตาเราควบคุมบางครั้งไม่ได้ค่ะค่ะโยมก็ก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าขนาดเราคิดว่าเราควบคุมได้ อย่างเมื่อวานนี้วันเกิดลูกโยมอายุคนเล็กอะค่ะอายุสิบสามแล้วเรื่องก็แบบโอ้โหตอนนี้ลูกสองคนเป็นทีนเอเจอร์จริงๆแล้วนะเราแบบควบคุมเขาไม่ได้แล้วจริงๆค่ะเพราะว่ามาถึงจุดที่ลูกพูดว่าแม่ไอายเขาลบความคิดของแม่นะแต่แม่จะมาเปลี่ยนความคิดเห็นของไอไม่ได้ยมแบบโอ้โหปรกาศประกาศแบบยิ่ก็เลยแบบโอ้โห ทีเนเจอร์พาวเวอร์มันเละรุนแรงขนาดนี้เลยอเมริกาอเมริกาเับฟรีดอมมากเดียวก็บอกโอเค่ค้าใจมีฟีดอมออฟสปีชแต่ว่าจะพัฒปีชไะไรก็ด้วยเวสต์เทคและฮัมเบิลนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยเหมือนกันถึงแม้เราจะมีความคิดเห็นต่างแต่ว่าก็เก็บไว้ในใจอย่าเที่ยวพูดทา พาออกมาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอเคไอ้น้ไปหมดแล้วลูเป็นลูกมังเกิลก้าวนหน่งหนูสิลูกคะแต่แบบยัก็แบบคือส่วนดีเขาก็มีแต่ความมั่นใจนี่เขาแบบโอ้โหอืมโอเคอยู่ในสังคมอเมริการมันก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละเขาว่าถ้าไม่เข้มแข็งบ้างเราก็จะถูกเขากดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออแต่ก็อยากให้ให้เหมือนกับพี่คนก่อนนั้นนั้นที่บอกว่าอยากมีอริยาทรัพย์ให้ลูกที่แบบ เป็นธรรมนาทางโยมก็พยายามสอนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหนูก็จะรู้เองก็ขอให้นำสิ่งนี้นพุทธเจ้าสอนไปใช้จากเจอครูบาอาจารย์ที่ดีหรือไม่ดีก็ขอให้ยึดคําพุทธเจ้านะลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังฟังในส่วนนี้โยมก็ยังโอเคใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะพระอาจารย์<ม>ค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะดีใจที่ได้คุยกับพระอาจารย์วันนี้คะ่ะ ก็ขอพร ะ, ะอาจารย์อาการดีขึ้นโดยเร็ววันนะคะอานุโมทนาตาสาธุเจ้าคอไปที่เป็นบาลีมุท ธ, ธาการกอธรมอ่ะกหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อ ย, ยังเสียนยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อ่ายังแหบเน้ดวันวันจยุดหลวงพ่อ ย, ยังบอง ว, งว่ า, วาเทศว่าฟังก็เทศน์ได้ไม่เป็นปนัญหาเลย หนูก็ยังปฏิบัติทุกวันนะคะแล้ก็แล้วก็ mm hmm. หนูจะถามว่าสมมติว่าเราปฏิบัติแล้วระดับของสมาธิหรือว่าความลึกของสมาธิ mm hmm. ที่เราปฏิบัติแต่ละครั้งหรือว่าทุกครั้งมันไม่จําเป็นต้องเท่ากัน mm hmm. ใช่ไหมคะหมายถึงความลึกความเข้มก็มันไม่แน่นอน ที่ก็เลิกบาทีก็ไม่เลิกบทีบางทีางทนานบาทีก็ไม่นานกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทําไปไมันกินข้ามองมาแล้วกินมากหน่อยบ่อยแล้วกินน้อยหน่อยแต่ช่วงที่ช่วงที่มันมันสงบแล้วเราเราอยู่กับตัวรู้ว่าขางพ่อมันเราจะมองเห็นว่าตัวรู้กับกับความคิดมันแยกกัน แล้วมันก็ละตัวกันะรู้ตัวรูตัวคิดกาตัวคิดค่ะแล้วเราไอ้ตัวคิดเนี่ยหนุกมันจะหนุกจะเห็นว่ามันมันไม่สามารถเข้ามาได้ตอนที่ที่ติดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันใช่ถ้ามีสติมันสงบแล้วความคิดจะก็หยุดไปทำนะทำนะมันก็คือมันไม่สามารถจะคิดได้ถูกไหมคะหลวอพ่อจนกว่าจนกว่าจะออกจากสมาธิมาใช่ จนกว่ากําลังความติเราจะหมดเองนะคะแล้วก็มันก็เลยถอนออกมาทีนี้หนูหนูกเลยสงสัยว่าแล้วที่บอกว่าไม่ให้ไปยึดติดกับสมมติข้าวก่อนเราเราได้ระดับสามเนี่ยแต่พอมาคราวนี้เราอาจจะหล่นลงมาเหลือสองหรือว่าคราวหน้าเราอาจจะเป็นห้าเนี่ยแล้วก็ทำไมถึงไม่ให้ไปยึดแบบเดิมที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราก็ทําใหม่วันนี้เราก็ทําใหม่ได้เท่าไหร่ก็ แล้วแต่กำลังของสติที่อาจจะได้ดีแบบคราวที่แล้วบางทีอาจจะสู้คราวที่แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติของเราในแต่ละวันแล้วก็วมีอาทิตย์ช่วงต้นอาทิตย์นี้หนูเหนื่อยเหนื่อยแบบทํางานแล้วก็กลับมาดึกอะไรเงี้ยฟังหงพ่อมันเหมือนร่างกายมันไม่ไหวัมันหนูก็มานั่งฟังฟังพระฟังในในคิดในอะไรเงี้ยฟังเทศนะคะหลวงพ่อมัน มันเหมือนมันจะหลับมันง่วงแต่พอถึงเวลาหนูไปนั่งปฏิบัติอะหนูเพราะมันมันสลัดผลเลยไอ้ที่เราง่วงเราอะไรเงี้ยมันกลับกลับนั่งได้แบบเหมือนเหมือนถ้าเราตั้งใจมันจะไม่ได้นะพอแต่พอพองทีมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะของมันพอถึงจังหวะที่มันจะมันจะตื่นมีสเติมันก็จะตื่นมีสเติขึ้นเลยค่ะหนูก็เลยว่าเอ้ยมันมันไม่เหมือนมันก็เลยไม่เหมือน การปฏิบัติแต่ละครั้งมันก็เลยไปยึดไม่ได้แล้วมันก็ไม่เหมือนทุกครั้งระดับความลึกความนี่งไงก็มการดูดูสภาพการเป็นจริงกนเารปฏิบัติไปค่ะก<อ><อ>็วันนี้คำถามหนูมีประมาณข้นนี้ค่ะแล้วก็ดีย๋ยวต้นต้นเดินมิถุนาวันที่หยุดสามวันอะไรเนี้ยหนูวันวิสาขบูชาค่ะหนูจะไปหนูจะไปอยูได้ที่ที่วัด ที่หนึ่งอะค่ะหลวงพ่อเพจองไปวันเนี้ยค่ะได้ได้เลยค่ะอเไปได้ได้ก็ไปเลยที่ที่วัดอยู่แถวสมุทรปราการนะคะหลวงพ่อวัดวัดป่าวัดสุใจเลยวัดป่าสุใจใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อที่นี่เขาไม่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยเลยพอดีได้อยู่แตธรรมชาติค่ะแล้วก็อยู่แบบของใครของมันอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ ก็เล่าไปดูเล่าไปดูสุดทายีจะได้มาเล่าให้พวกพวกพวกภาษาทํามิด้วยการฟังเพื่อปฏิบัติทําได้ดีค่ะหนูฟังจากคนอื่นเขาบอกว่ามันมันร้อนมันไม่มีพัดลมมันไม่มีไฟมันมืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบใช่ใช่ค่ะบมืนเข้าป่าเหมือนเข้าป่าใช่ค่ะหนูก็เลยจะไป นักปฏิบัติไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องครูเรื่องเราเหล่านี้ถ้าใจสงบแล้วมันไม่เดือดร้อนกับเรื่องของทางร่างกายทุกข์ยากลำบากทางร่างกายนี่มันเป็นเรื่องชิดช้อยอถ้ามีสติมีความสงบแล้วใจมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีสติมั น, นาอาจจะอาจจะทุกข์ก็ทิเลนจะเอามาทํางานยากเขาก็ยึดโทรศัพท์อะไรเหมือนเดิมค่ะเขาไม่ต้อใช้ ไม่ได้ครับค่ะแล้วก็ถ้าถ้าพูดถึงไม่มีไฟตอนที่หนูไปเขาชีโอนหรือก็แทบหนูก็ไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้ว้าไฟฉายส่วนตัวไปเกือบําเป็นจะต้องใช้ก็ใช้ไปใช้ไปได้ค่ะโทรศัพท์ก็แท้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ไรหมูนของปิดไม่ได้ใช้อยู่แล้วถ้าปฏิบัติจริงๆริงก็ไม่ได้ใช้ของนี้แล้วค่ะจนจนมีคนเขาตอนที่หนูกลับเขามาถามว่าอ้าวมีคนอยู่ด้วยหรือเพราะว่าไฟ ไม่เปิดไม่ใช้อะไรกางคืนก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะเพราะว่าปฏิบัติแล้วก็นอนแค่สี้าชั่วโมง<ม>ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้อะไรค่ะนูนกองอันนี้หนูมีประมาณเท่านี้นะคะเ อ, อ เ, คเอาไปดูแลมาเ่าให้ฟัที่ร้กับหลวงพ่ได้ไหมครับข้าหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเร็วๆนะคะต้องบอกมันเตะ แล้วแล้วก็บอกเหมือนกันมันจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้เรื่องของร่างกายมันก็เป็นัตตาค่ะหลวงพ่อป่วยหลวงพ่อยังมาเทสแล้วแ้วหนูถ้าเกิดหนูป่วยหนูก็ต้องไม่ท้อค่ะหลวงพ่อก็ต้องปฏิบัติแล้วมันก็ไม่หยุดค่ะหลวงพ่อมันก็แล้วแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เทสเหมือนกันก็วันวันที่เป็นวันแรกมันวันอาทิตย์พอดีก็ไม่ได้เทสอยู่วันไหนค่ะพรามันไม่ไหวมันจะนอนอย่างเดียว มันอยากจะนอนเขาปล่อยมันนอนไปแล้วไข้ขึ้นหลวงพ่อไม่ทานยากแก้ไข้เลยเหรอคะเออมันก็ไม่เดือดร้อนอะมันก็มันมันกับนเรื่องธรรมดามันเจอทุกอยู่เรื่อยๆทุกเวทนาเจอจนชินละโดยเฉยๆค่หลงพโอเคนะขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะขอบพระคุณกลับไปที่แมรี่แลนด์กรุงเทพมหาน ก, ก, กรรนวัตกรรมกรานวัตการขหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้าอาโยมสบายดีค่ะไม่ ม, มีอะไรค่ะ ม, มีคำนิดนึงค่ะ อ, อะาจารย์โยมอยากจะทราบว่าเวลาที่เราพิจรารณาใตรักในระหว่างวันนะคะอย่างถ้าสมมติเรานั่งสมาธิเนี่ยเราปิดตาหูจมกูกดินกายแล้วเหลือแต่ใจแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีความผิดคิดผุดขึ้นมา แต่เราก็พิจารณาแต่พุโทโธพุทโธหรือว่าดูลมหายใจจนว่าสงบแต่ในเวลาระหว่างวันนะคะพระอาจารย์มสมมติว่าเรามีสติอยู่แล้วเรากำลังพิจารณาแล้วว่าเราขับรถเราท่องพุโทโธพุธโทโธแต่เวลาเราหยุดหรือว่าเราลืมเนี่ยค่ะมีความคิดผุดขึ้นมาก่อนที่สติมันจะมาหยุดนะคะเราควรจะแต่เราเห็นว่ามันมีตัวหลงเกิดขึ้น ก่อนที่สติมันจะมาตัดซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่แป๊บเดียวอะคะ่ะอันเนี้ยพอเรารู้แล้วเนี้ยเราควรจะพิจารณาด้วยไหมคะหรือว่ารือเพื่อให้มันเห็นทั้งอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่ใช่แค่อนิจจังอนัตตาอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราถ้าตัวขุดขึ้นมาควรจะทำยังไงคะก็รู้ว่ามันเป็นของที่เราไม่ได้ไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันมาของมันเอง ันเป็นอนาจตามันมาตามตามเหตุตามปัจจัยของมันมันจะมามันก็มาแต่เราก็ให้รู้ทันมันแล้วก็อยากไปอยากไปทุกข์กับมันหรืออยากมันมาก็ร่วมมันมาถ้าหยุดมันได้ก็หยุดมันไปพระท่านถ้าหยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันก็แค่รู้ตามรู้ตามไปแล้วก็ร่วมร่วมมันจะคิดอย่างนี้ก็ร่วมมันคิดไปแล้วอย่างนี้เลย ถ้ามีสติแล้วก็ถ้าเราหยุดมันได้ก็หยุดมันไีก่อค่ะคือปกติแล้วเนี้ยมันจะเหมือนเหมือนกําลังของสติมันจะค่อยค่อมาจนกระทั่งพอมันเต็มมันถึงจะตัดตัดไปได้อะค่ะแต่ในช่วงที่มันยังมาไม่ทันแต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามันกําลังจะมาซึ่งอย่างที่โยมได้อธิบายว่ามันเป็นช่วงเวลาที่วูบเดียวแต่เราเห็นโยมก็เลยอยากจะทราบว่าอันนี้มันคือการกําหนดรายละเอียดของการพิจารณาเพื่อให้มัน ม็ตว่ามันไม่เที่ยงว่ามันว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นของที่เราควบคุมบางคั้ไม่ได้ถ้าเราไปอยากจะไปยุ่งกับมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราเฉยๆกับมันไปก็ไม่มีปัญหาเลยให้รู้จักตัวมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็โยมมีอีกคําถามหนึ่งเจ้าคะขอโทษอ่าอีกคําถามหนึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติอะค่ะแต่อยากทราบว่า ถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุรถชนอย่างนี้ค่ะแล้วโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าคือเหมือนกับอีกเอ่อมอเตอร์ไซค์ชนกับรถอ่ะคะ่ะแล้วก็คนที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตค่ะที่แต่ในขณะที่คนที่ขับรถอยู่เนี่ยเห็นแล้วว่าคือตอนแรกมันมืดอ่ะคะ่ะมองมองไม่เห็นแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะแต่ว่า รถที่ขับเนี่ยมันตกเหวมันเป็นวินาทีความเป็นกับความตายจิตจิจิจจหนึ่งก่อนที่เขาจะวูบไปเขาคิดว่าถ้าฉันชนฉันก็ต้องชนถ้าเขาจะเสียชีวิตเขาก็จะต้องเสียชีวิตเพื่อให้ฉันรอดซึ่งมันเป็นความคิดแค่วูบเดียวก่อนที่เขาจะหมดสติอะคะ่ะโ mm hmm. ยมขอถามพระอาจารย์ว่าอย่างนี้มันคือกรรมที่ทเกิดจากความตั้งใจไหมคะ ถ้ามีเจตนาก็มีความตั้งใจแล้วก็ทีก่การแสดงเขาเปมีเจตนตาความต้องการรักษาชีวิตเขาถึงอหรแม้จะทําให้ผูู่นเสียชีวิตเขาก็เขาก็เขาจะทำํำแสดงว่าเขาเปเจตนาที่จะฆ่าเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาแม้ว่าตัวเขาเองก็อุบัติก็คือเป็นตายเท่ากันเหมือนกันใช่ไหยคะก็มันมันอันนั้นไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ ท, ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจของเรา เราทำทำไปเราได้ทําด้วยถ้ามีแต่เจตนาแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำก็ยังไม่ถือว่ายังไม่ยังไม่ครบองค์ปรกอบก็ยังไม่ถือว่าบาปแต่ถ้ามีเจตนาถึงมันจะเป็นเรื่องสุดวิสัยหลบเข้าไม่ได้คือหลบได้แต่อาจจะไม่หลบเพราะเพื่อความกาสที่จะปกป้องตัวเราเองแล้วก็ชวนเขาเแสดงว่าเราก็มีเจตนาที่จะรักษาชีวิตเราด้วยกันทํำลายเขา การเกิดเหาการณ์นี้เราทำให้เขาเสียชีวิตก็แสดงว่าเราก็มีล้วก็เราก็ล้วก็ทำบาปเจ้าค่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือจิตเราได้ถูกไหมคะก็ไม่ได้แล้วแต่การฝึกการปฏิบัติของแต่ละคนมาไะฝึกหน่อยหนอือืเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ค่ะกบขอบพระคุณเจ้าค่ะมีคำถามเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อาายถะลุงที่ว่าหายหน้าเป็นนายเป็นยังไงอ้วนขึ้นหน้าตาหน้าตาบานขึ้นขประมาณอ้วนขึ้นจะกล่าวว่าจ้าเขาฟังอยู่ข้านอกค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเหมือนเดิมใช่ปะมาโชว์หน้าตาเลย ขอบใจสาธุขอใหอาจารย์พระขันแขงแดงนะคะสาธุดค่ะคนสมชายจากเพนซิเวเนียเราตั้งสองคืนเลยนะเมื่อคืนนี้กับภาษาอังกฤษและนี่ก็ภาษาไทยอ่าาใช่ครับท่านประธานาธิบดีคุณครับอ่าพอมาฟังในห้องห้องอ่าในห้องก็มีความสุข ด, ดีแล้วก็ การทําจิตให้เป็นสมาธิก็ช่วยได้บางครั้งคนนอนไม่หลับก็จิตถึงวาะอาจารย์อน่ายแล้วอาทิตย์ทัวร์คักมิดห่ายลยว่าท่านบอกให้ให้สมาธิพุโทโธพุโทโธก็ช่วยได้ครับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบพระคุณมากจรจา นะทวดจะเล่าว่ากลับมาเยี่ยมบ้านนะกลับมาเมืองไทยนะอ่าอ่าใช่ครับใช่ท่านแล้วก็ไปก็เป็นไข้กันอ่าก็ไม่ได้พ้อยไปไหนกันเป็นไข้ร้อนอ่าเป็นไข้ร้อนครับร้อนกว่ า, ค, วาครั บ, รบกินอะไรก็ก็ปวดท้องก็อ่าก็เป็นไข้แล้วก็อ่า อ, อยู่อำเภอหนองเรือ บ้านพ่อแม่อำเภอปริมน้องเรือจังหวัดขอนแก่นครับออขอนแก่นนะครับออกจากบ้านไปอยู่อเมริกากี่ปีครเนี่ยประมาณสี่สิบสองปีได้ครับไปได้แต่ตอนหนุ่มไหมนะครับไปในตัวเล็กและพี่สาแต่งกับฝรั่งครับก็เลยเข้ามาทำไมครับก็เล ก็มีครอบครัวที่อยู่ที่อเมริกาแล้วได้ครอบครัวที่อเมริกาออ่่าาแฟนเป็ น, นอำเภออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็ <Okay. S 2> มาแต่อลูกตัวสามเดือนครับเล็กๆอ่าครับอนนี้มีลูกกี่คนน่ะมีลูกสามคนสามคนนะ okay. ครับแต่คนหนึ่งก็คล้ายๆเป็นลูกมั่งไม่เป็นลูกมั่ง แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจะคิดโอเคครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับถ้าเขาไม่ได้มันจะคิดยังไงก็เรล่าของเขาเราอย่าไปทุกขกับเขาเลวก็ใช่ครับท่านอาจารย์โอเคไม่เป็นไรนะครับครั thank you นะครับขอบคุณมากครับชดติมาเชิญ ที่บ้าอยู่ที่ไหนที่ทมะอยู่โอซาก้าค่ะอโอซาก้ามก็เด็กกันในโอซาก้าแลนี่ค่ะอ่าทุกป่ะอ้าดุมเกิร์มีอะไรไหมอ่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองทุกข์มากเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่อยู่กับสติปุ๊บทีนีใจมันคิดแล้วว่าไม่อยากอยู่ที่นี่อยากจะกลับประเทศไทยแล้วก็อยากจะไปบวชเพราะว่าเราติดปัญหาเรื่องนมเดิมแต่พอมันมีสติกลับมาทีนี้มันก็ดีขึ้นหน่อยว่าไม่ต้องทุกมากเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะบวชใช่ไหมคะแต่พอทีนี้เราตั้งใจแล้วว่าอยากจะแก้ปัญหาของตัวเองจริงๆ ก็อยากจะไปอยู่ในที่ที่มันมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถปฏิบัติได้ช่วยกั้นเรา <Goodbye. S 1> ทีนี้อ่ะทีนี้มันแล้วทีนี้ใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาแบบมันบีบคั้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเมื่อก่อนหนูก็แบบสบายๆวันๆนหนึ่งก็ทำหน้าที่ไปไม่คิดอะไรแต่พอ ปัญหาเดิมมันก็ยังมีอยู่เพราะเราเป็นคนราคาจริตมากแล้วมีสติทั้งวันผ่านไปวันสองวันสามวันเราเห็นอารมณ์มันขึ้นมาค่ะมันยังไม่ทันคิดแต่อารมณ์มันเริ่มมีแล้วแล้วมันก็จากนั้นมันค่อยปรุงต่อแล้วหนูเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ก็แย่มากค่ะช่วงนี้รู้สึกว่า ทรมานมากเลยเพราะเราพยายามจะไปแก้มันทีนี้มันก็เลยยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่แต่ถ้าถ้าอยู่กับสติได้ก็ดีขึ้นมาหน่อยว่าไม่เป็นไรแต<ล><ล>่พอช่วงพยายามเข้าพุดโทไปพยายามฝนฝนไปเดี๋ยวปล่อยให้มันคิดไม่ต้องไปแก้เลยหยุดความคิดก่อนถ้าไม่หลุดมันก็มันเหมือนอย่างนี้เลยค่ะ ม, มันหักตรงกลางไม่มีทางได้เลย ถ้าไม่ฝั่งนู้นมันก็อยู่กับสติเลยก็เลยว่าสติอยู่เรื่อยก็เลยแบบหนูก็เลยตัดสินใจว่าเลือกเอาสักอย่างนึงชีวิตนี้ก็ถ้าเอาทั้งโลกก็โลกไปเลยถ้าอยากจะแก้จริงจริงก็ให้เลือกเมาพ อ, อาเราตัดสินใจเอาทำอะไรทำอะไปเลย โอเคแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะโอเคเห็นไปที่คุณจอยบาง่าลาจอยวง่ปรปบนมัสกา ร, จรจาเจขาพอาจารย์มีอะไรไหมมีเจ้าค่ะวันนี้มีกันบ้านเจ้าค่ะเอ่อเป็นเรื่องที่ประชุมใหญ่แล้วก็มันก็มีเรื่องอินเวส i ิ a เกตที่เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะ สุดท้ายแล้วแต่ว่าหนูก็สามารถตอบคําถามแล้วก็ทะลุปุ่งหมดทุกๆข้อสงสัยนะเจ้าค่ะแต่กลับมาเนี่ยไปเอาคําพูดของท่านบางท่านนะะ่ะเอามาคิดแล้วก็นั่งร้องไห้ไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็าเริ่มพอเริ่มแบบมีสติค่ะคําพูดที่พระอาจารย์เคยสอนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตรักแล้วก็โลกกระทำแปดอะค่ะมันก็เลยปวดขึ้นมา พอหลังจากนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เห็นเห็นธรรมค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ชัดเจ น, นะคะ่ะหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยินดีที่จะรับรับผลของมันโดยที่ไม่มีข้อกังขาะคะ่ะแล้วก็คิดว่าถ้าในอนาคตมันอาจจะเกิดอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะ ม, มันก็เป็นผลดีที่หนูจะได้เข้าไปปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเอือก็ดี ตัวรรมมีจรังมีเสมมีสาสมส่วนินทาค่ะเห็นเด่นชัดมากเจค่ะแล้วก็ก็เลยเหมือนที่เคยที่เคยคิดมาตลอดนะค่ะว่าถ้าเราไม่มีทุกมาเป็นตัวเล่งหรือเราไม่มีความความทุกขมาเป็นตัวเล่งเราจะไม่เห็นข้อธรรมเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเลยเจ้าค่ะมี่เรายังไม่ได้เห็นความสัมพันของการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะ แล้วก็อาทิตย์หน้าเพก็เป็นโอกาสดีเจ้าค่ะพอดีวางแผนลางานเอาไว้เจ้าค่ะราะว่าจะไปรับลูกสาวที่จังหวัดเชียงรายทางครอบครัวก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะพากันไปไปแคมปิ้งก่อนซึ่งเมื่อก่อนที่จะเข้ามาทำมาเจ้าค่ะก็จะไปเป็นสายเดินป่าค่ะแล้วก็หนูก็เลยเปลี่ยนแผนว่าหนูไม่ขอแบบเคลื่อนที่เยอะถ้าเข้าป่าครั้งหนึ่งอะคะ่ะจะเข้าไปนั่งสมาธิแล้วก็จะทกเจริญสติทั้งวันก็เดี๋ยว อาจะประมาณห้าหกวันนะคะถ้าถ้าไปอยู่ในป่าแล้วมีสัญญาณก็อาจจะได้เข้ามาเรียนแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาณเก็จะใช้ช่วงเวลานี้ค่ะไปเจริญสติให้มากขึ้นเจ้าค่ะโอเคขอบ <c oughs> คุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ <c oughs> สาธุคุณแดงฮุนดอธานีก <c oughs> ารละมาดกล้กค่ะพระอาจารย์นี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคยินดี <c oughs> เอสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจา้าอาจารย์คุณได้เลยเออก่อนอื่นเลยเรบิฟังวามคิดถึงค่ะแล้วก็บอซองเต้ท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะขอบขอบคุณด้วยท่านอาจารย์ครับว่าลูกได้ยินของคุณสุมารียค่ะที่พูดเรื่องการปฏิบัติอคะ่ะบางครั้งเราก็ปฏิบัติได้อบางทีมันก็มีมีสุขบางทีมันก็ มันก็ไม่สงบแต่ลูกก็เลยอยากจะถามว่าเราควรในกรณีที่ว่าสงบหรือไม่สงบเราควรที่จะคงที่กับระยะเวลาในการปฏิบัติไหมคะก็ถ้าเรามีเวลาปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปถึงแม้ว่ามันจะไม่สงบก็ให้เราคงที่กับการก็ให้เราคงที่กับระยะเวลาในการปฏิบัติตามไม่สงบก็พยายามฝึกสติไปเจริญสติไป เราก็นั่งไปอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่งก็ได<า>้<า>ถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินแทนก็ได้ถ้าเปลี่ยนระยะเวก็ได้คือด้วยความที่ว่าหนูหนูกลัวว่าถ้าเกิดแบบไม่สงบใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติไม่สงบแต่เราก็ฝืนคือฝืนคือหนูก็จะนั่งไปเรื่อยเรื่อยเืยก็ไ ด, กได้ก็ได้ก็ดีนั่งไป<อ>เรื่อยๆก็ได้บังคับบังคับเพื่อให้คงที่กับระยะเวลาที่เราเคยได้ใช่ไหมคะได้ก็ได้ก็ดีแต่ต้องมีสติอย่าอย่าไปนั่งเพื่อให้มัน กดมันต้องใช้ใช้สติเวลานั่งค่ะก็พยายามพยายามหนูก็ใช้พยายามใช้พุดโธนเนี่ยค่ะกดมันกดมันเพื่อที่ว่าต้องการที่ว่าจะให้คงที่กับระยะเวลาในการที่เราเคยทำได้หนูกลัวว่าหนูกลัวจะหกลัวจะสูญเสียระยะเวลาที่เราเคยทําได้แล้วก็ดีรักษาระดับไหมก็ดีอ๋อค่ะเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์หนูก็ไม่แน่ใจว่าเอะสงบไว้สงบก็ไม่เป็นไรขอให้นั่งตามเวลาที่เรากําหนดไว้แล้วกันค่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านอาจารย์เนี่ยหนูก็หนูก็มาถึงนะคะท่านอาจารย์คือไม่แน่ใจอะค่ะว่าคือหนูกลัวว่ามันจะสูงหนูกลัวหนูจะสูญเสียเรื่องกําหนดระยะเวลาที่เราเคยได้แล้วเดี๋ยวพอุ่งนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราโยนโยนเดีลยวอาจจะกลับไปไม่ได้เนี่ยค่ะที่หนูกลัวมากเลยค่ะท่านอาจารย์หนูไม่อยากถอยหลังพยายามรักษาระดับปัญญาอิบของเราเลยสงบบ้างก็ได้ไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไร ขอบคุณมากเลยค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณย่งหสุดเลยค่ะท่านอาจารย์โอเค่ท okay. ี่คุณจอยพทัทยาจอ ย, ยอีกสองวันกวันพักแล้วเมาไซบาหรือเปลาไค่ะมาแล้วโ okay. อเคหน่อยเสียงค่อยเลนกันเสียงค่อยมก็ดีเราเสร็จค่อยไปหน่อยหนูฟังรูปเอาไปค่ะโอเคควยใจ้ใต okay. ้คุยดังดั วิหารธรรมมันหมายถึงอะไรคะวิหารธรรมคือเครื่องธรรมที่เป็นเครื่องอยู่มีหลายชนิดสติก็เป็นวิหารธรรมได้พุโทโธพุธโทโธนีนกน้ก็เป็นวิหารธรรมถ้าปัญญาและตายรักเป็นวิหารลธรรมหรือถ้าจะใช้เมตตาก็ได้นะแต่เราจะชอบอะไรเราก็ใช้นั้นให้ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจให้ใจอยู่กับธรรมะนั้นที่ใจจะได้เย็นใจจะได้สงบอย่าไปอยู่กับกิเลส อยาไปอยู่กับความโลภความปวดความหลงไม่ได้ไะให้อยู่กับคาำทา<ร> อ, อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับปัญญาก็ได้อยู่กับไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้แล้วอยู่กับความเมตตาก็ได้อ๋อค่ะค่ะรู้เข้าใจค่ะวิหาระคือบ้านไงนี่ไ ใช่ค่ะเราก็คิวาวิหารว่าเป็นบ้านแต่ว่าถ้าเรามีธรรมเป็นทีเน่เป็นบ้านไม่ขาดธรรมก็คือมีธรรมเป็นบ้านที่อยู่อาศัยธรามที่ธรรมมันก็มีหลายระดับเนี่ยหลายระดั บ, น, บนั่วนก็เมตตาก็ได้เช่นอยู่กับแฟนนี่ก็มีเมตตาเป็นวิหารธรรมให้อภัยให้อภั ย, ภยไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลืองไม่ใช้กิเลสเป็นวิหารธรรม ใช้เมตตาเปวิหารธรรมอมันได้ได้พูดอยู่เลยอ่ะอืไ่ได้อยู่คนเดียวกบพุโทโธพุโทโธอย่าให้คิดก็ได้อ๋อพใจยังพอใจค่ะโอเคนะอยา่าไปส่บาดเหมือนเดิมอโอเคสาธุไปที่สวิสนานคุณทวิสาธุการมัสการข่าวตัณอาจารย์ค่ะ <ขอ S 1> สบายดีนะค่ะสบายดีค่ะท่านพระอาจารย์แต่ว่ายังมีเรื่องคือไม่สบายใจนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์คือโยมเคยพูดกับพระอาจารย์ไหมว่าปีนี้โยมจะเลิกทำ ง, งานนะพระอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้มีเหตุมีเหตุขัดข้องค่ะพระอาจารย์ปีนี้โยมเราจะต้องเลื่อนระยะเวลาก็ไม่เป็นไรมั น, มนเรื่องปกต <laughs> ิอนาคตมั น, น, นไม่แน่นอน ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้พูดแปลว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นพูดเป็นการเปิดเผยให้ให้เห็นภาพอนาะคตว่าถ้าเป็นไปได้ก็หยุดถ้ายัางหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ได้เสียสใจอะไรถ้าเหมือนกับไม่สบายใจค่ะอาจารย์แล้วแล้วนิยมก็มีมีอยากให้พระอาจารย์ช่วยช่วย ช่แก้ปัญไม่ใช่แก้ปัญหาคือแนะโยมเนะะี่ยค่ะคือจริงๆแล้วมันเกิดจากตัวโยมเองอะคะ่ะว่าเหมือนกับโยมเหมือนกับอัตา ม, มากแล้วทีนี้คนที่จะมาเซ็งร้านต่อไปโยมหลักอาจารย์คือคำพูดและการกระทำเขาไม่ได้เป็นอย่างที่โยมตั้งใจโยมก็เลยก็เลยไม่ไม่เสงให้เขาอะคะ่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุและที่โยมก็เลยอยากทราบว่าการที่โยมตัดสินใจหรือพูดแบบเหมือนเข้าทา S <S <an> เหมือนเขาพูดแล้วแบบคำพูดและการกระทําโยมไม่พอใจเขาแล้วโยมก็เลยเออไม่ให้เขาแล้วร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลย ว, ว่าตรงเนี้ยโยมขาดธรรมะข้อไหนค่ะพระอาจารย์สิ่งที่โยมควรจะแก้คือแก้ที่สติโยมหรือมันเป็นเพราะอารมณ์ของโยมค่ ะ, ะเดี๋ยวกรมันเราใช้อารมณ์แทนที่จะใช้เหตุผลอืใช้ปัญญาก็คือเหตุผลเหตุผลก็คือ ถ้าตกลงกันแล้วจะขายเขาก็ขายเขาย้าไปว่จาจะดีชั่วก็เรื่องของเขาไปไ ม, ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เราการการตารม ด, ดีความชื่อของเขามาเป็นอารมณ์ไม่อยากไม่อยากขายคนนี้ละเขามันไม่ไม่ไม่ถูกใจเราอะไรทำนองนี้ค่ ะ, คะ <laughs> ประมาณนั้นค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยว่าเออการที่ยมก็มีอารมณ์แล้วยมก็เลยขาด ตงนี้ไปแล้วก็กลายเป็นพลอยให้ตัวเองจะต้องเสียแบบแบบค่ะค่ะต้องทําต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราจากค่ะก็เหมือนกับมันเป็นลูกโซ่ถัดมาทาให้โยมก็อืโยมคงจะขาดสติแล้วก็มีอารมณ์คือโยมต้องใช้สติให้มากแล้วก็ใช้ใช้เหตุใช้ผลเวลาทำอะไรยใช้อารมณ์ค่ะบางครั้งเหมือนกับเหมือนกับเรามีมาน้ำมีอัตตามากก็อืม ฉันก็ฉันก็ดีแล้วนะทําไมคุณยังขนาดนี้เออถ้าอย่างนั้นเหมือนกับเหมือนกับเราก็ปวนไปเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็ก็เป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้ก็มันเองพยายามตั้งใจแ่กระท่านกันอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยคอยให้เราแบบเสียในสิ่งที่เราตั้งตั้งตั้งใจไว้อค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยโยมก็เลยนึกว่าโยมต้องแก้แก้ที่อารมณ์ก็คือต้องทาสติ มอากนองในแง่ดีก็จะหออาจจะมีใครดีกว่านี้มาซื้อต่อก็ได้สาบทุกก็อย่าไปกังวลอย่างมันเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาเป็นบทเรียนว่าต่อไปเราจะทำอะไรแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็มีเรื่องที่รบกวนจิตใจก็คือเรื่องเนี้ยค่ะพระอาจารย์ที่ มันโยมแบบพูดไปแล้วยมแบบปีนี้จะเลิกก็ก็ไม่ได้เลิกก็เลยต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งพี่จนกว่าจะมีใครมาเซ็งต่อหรือหรือไม่เซ็งโยมก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกับพระจักรมาดูการไปิบาลค่ะพรจจรก์ค่ะค่ะไม่มีอาจารย์ค่ะ ข, ข, ขอบคุณค่ะเรื่องอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปพูดมันดีกว่า ถ้าพูดก็ต้องหมอบท่าถ้าเป็นอย่างนั้นไปนี้ก็จะเป็นอย่างนันจะทำอย่าไปพูดบอใจอย่าเลิกแต่ว่าเราไม่รู้อนาคตใข้างหน้าว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปยุบจะทําเป็นจะเล่าพูดเรื่องอนาคตจะพูดมีท่าเขำวมทท่าไว้ข้างหน้าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะถ้าไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำทุก ทุกๆเรื่องเลยค่ะบ่าอาจารย์ตอนนี้<า>ได้บด<า>เรียนแล้วค่ะว่าอาจารย์ อ, าอานาคตมันไม่แน่นอนอันนี้จำ น, นะอะไรในเรื่ององคามาไม่แน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะโอเคไปที่กูเน่งากูนเนเชนปัตยากลับมัจการท้าอาจารย์ค่ะได้ยินใช่ไหมคะได้ได้ยินใช่วันนี้ไม่ได้ไปแต่บันดาทีเยจะไปครับท้าอาจารย์ ก็ไปกับทุกอาทิตย์เลยเออ่ะก็ได้ฟังหลายๆคนก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างครับพระอาจารย์โอรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยต้องสมาธิไม่เดือดเดพึ่งเลยขอสติก่อนดับแรกค่ะพระอาจารย์ถูกต้องสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลค่ะพระอาจารย์โอ้โอมาฟังแล้วโอสติอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยในการทํางาน ในทุกๆวันนี้นะครับอาจารย์เพราะว่าวันหนึ่งบางทีเนี่ยได้ทําอยู่สามงานตอนเช้าก็เหมือนกับออนไลน์ทอนไปก็คือเหปิดนลงออฟไลน์แล้วก็ไปสอนได้ประมาณนี้ก็เลยแบบโต้องตั้งสติเพราะว่าจิตนี่มันขึ้นมันลงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหตุการณ์ทุกอย่างเลยโปรู้แล้วค่ะตามรู้ตามใจพยายามดึงกลับคืนมาได้ฟังได้หินได้อะไรอย่างนี้ปะ่ะปะทะ อยู่ตลอดเวลาค่ะว่าอาจารย์ก็เลยฟังโอ้เราอย่าไปถึงขั้นสมาธิเลยรู้เลยว่าเวลานั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เยอะมากดังนั้นเนีราก็ต้องฝึกสติให้มันเยอะมากที่สุดนะคะพระอาจารย์อก็เลยหันกลับมามองดูดูตัวเองดูใจตัวเองให้มันเยอะดีกว่าครับอเพราะว่าในสิ่งที่ได้เจอเนี่ยมันมันเหมือนมาทําให้เราจะต้องแบบ มาท้าทายนะคะพระอาจารย์คิดว่ามาท้าทายมาท้าทายกิเิตของตัวเองด้วยที่ที่จะทําให้เราอะ่ะแสดงอาการหรือว่าคิดอะไรยังไงออกไปอะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็มานั่งคิดพิจารณาอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างแล้วก็ได้ฟังกลยุทานมิตรที่พระอาจารย์ได้ตอบคําถามหนูขอบพระคุณทุกๆคําถามทุกๆคําตอบของพระอาจารย์ด้วยคนะ่ะทุกๆคนด้วยที่ท <ำ S 2> ําให้หนูได้ ได้เห็นอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นครับผ้าอาจารย์แล้วก็ได้ได้ฟังของผ้าอาจารย์ทําให้หนูรู้ว่าเออทํารู้เลยว่าใจของตัวเองเริ่มเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็คือเริ่มที่จะดีขึ้นในสิ่งสําคัญเนี่ยหนูต้องฝึกสติให้ให้มันให้มันเยอะมากมากๆๆที่สุดครัพระอาจารย์ในสิ่งที่เราคิดถึงครับผ้าอาจารย์ถ้ามีความเห็นเข้าใจใก็ถือว่าไปถูกทางมั้ มาถูกทางไหมใช่ไหมครับอาอจารย์เามว่าต้องทําอะไรแล้ว อ, อะไก็คือสติพยายามฝึกสติให้มากเพราะว่าหนูก็ตั้งเป้าของตัวเองไว้แล้วว่าเราจะต้องทาบางสิ่งบางอย่างให้มันให้มันเสร็จสิ้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็จะได้ไปตามทางของตัวเองบ้างนะแต่ว่าในขณะที่เราทําเนี่ยเราต้องมีสติเอในทุกๆเมื่อที่มีอะไรเข้ามา ท, ทนุทกกระีบ ทุกกรณีค่ะพระอาจารย์ขอกราบขอพอบคุณพระอาจารย์นีก็ไม่มีอะไรหนูก็ต้องฝึกสติต่อไปก่อนครับพระอาจารย์แบบแ ค, ค่ะจนห ล, ลับเลยเล่นตาขึ้นมาก็พุโทโธก่อนเลยคุมเชิญไว้ก่อนเลยค่ะพระอาจารย์โอโหจิตอยู่เป็นไม่ใช่ธรรมดาแบบวูบขึ้นแบบอ๋ออะไรโอเคอามาพุโทโธพุโทโธพุทโธทําอะไรก็<อ>คือดูกายไปก่อนค่ะพระอาจารย์ได้ละกาง พาะอา จ, จารย์จับเขาก็เนอสองทูตค่ะขอให้ท้ากันพระอาจารย์แข็งแร ง, งนะคะใช่คร <หา S 1> ับ<า>ไปที่คุณหมอสุทัศนีปทุมธานีนมัสการท่านพาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคาถามเจ้าค่ะโอเคยังปฏิบัติเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะท่านพราจารย์ไปที่คุณ อ, อนันต์งตอนันต์นงถ นมรดการค่ะพระอาจารย์เข้ามาครั้งแรกค่ะแต่ปกติฟังพระอาจารย์อยู่ข้างนอกตลอดเลยค่ะ okay. ท่านนี้มีอะไรอยากจะถามไหมก็จริงๆยอมก็ปฏิบัตินะคะก็จริงๆปฏิบัติมาได้น่าจะสักประมาณปีหนึ่งแต่ก็ยังเจอทุกขเวทนาอยู่มากเวลานั่งเออก็ไม่รู้ว่าจริงๆริงคือมันเหมือนพออาการเจ็บขา ป, ปวดขามาเนี่ยจิตก็จะเริ่ม มันมันเหมือนว่ามันเริ่มใส่ก็เริ่มอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปกติไหมแล้วจริงๆพอมันเริ่มใส่เราควรจะควรจะเร่งสตปให้มากขึ้นส่วนน้นไปก็ได้อนั่งเฉยๆใช้สมุนไพรได้ไหม้เพราะว่าปกชิพอมาทีลองอิติปิโสแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นอ่าเฉลยไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจอาการเจ็บเนื่องอาการเจ็บก็จะถอยห่างออกไปแล้วใจเราก็จะไม่เดือดร้อน ค่ะจใช้การส่วนบุญต่อถ้าเราเฉยๆแล้วดูมันมันยิ่งเจ็บใหญ่อย่าไปดูมันนะใช่แ ล, แล้วมันจะแบบโอ้ก็มนต่อสู้อย่างเออยากจะลุกอยากจะเริกก็ <c oughs> กกไม่เอาละมันจะถอยอย่างเดียวใช่ค่ะวิธี <ๆ S 2> ป้องกันการถอยก็คือใช้การส่วนบุญไปส่วนที่ที่โซไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจอาการเจ็บป่วยมันเจ็บไปได้ค่ะถ้าเรามีอะไรก็ถูกติดกอดติดไว้แเดี๋ยวอาการเจ็บมันจะไม่มาลบกวนใจ ได้คระอาจารย์พราธพูดโทมันเอาไม่อยู่เลยกรับได้เหมื อ, อมนแบบมันสั้นไปมันสั้นใช่ครับอาจารย์เอไอีไปส่าส่วนไดยาวๆหม่อยก็ได้ใช่คัก็ก็ดูจะได้ผลแล้วก็จริงๆคำสอนพระอาจารย์ทุกวันที่ขึ้นมาตอนเช้าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเหมือนระหว่างวันเวลาโยมทำงานมันจะเจอสิ่งที่เหมือนเพื่อนในนี้จะชอบเรียกว่ากันบ้านนะสิ่งเข้ามาทดสอบ อ, อยู่เสม อ, สอแต่ก็ ได้ค่ะบทดสอบก็จะจะจะนึกถึงคําว่าสติของพระอาจารย์อยู่เสมอเช่นแต่ก็มีคนถามว่ายามาทีมีการโต้อตอบ ก, กันในในไลน์อย่างเงี้ยเขาสนทนาแล้วก็เหมือนกับกล่าวหาหรือต่อว่าอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆโยมก็ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอารมณ์โกรธแล้วก็ไม่ได้เลือกที่จะโต้อตอบทุกครั้งก็ เ, เหมือนโต้อตอบไปก็เหมือนจะมีการใส่อารมณ์กันมากขึ้นก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเราควรจะ พยายามอธิบายหรือจริงๆการนิ่งของเรามันคือดีกว่าสําหรับการแก้ปัญหาจริงๆแล้วเลยใ่ถ้านิ่งได้ก็ดีที่สุดยอมหยุดเย็นนิ่งก็คือยอมไม่ตอบโตห้หยุดหยุดหยุดตอบโต้ยอมแพ้เพราะเขาจะเอาอย่างงั้นเขาจะเอาชนะให้เขาชนะไปแล้วก็หยุดน่าจะดีที่สุ ด, ดเพราะว่าควประยมะไ ม, ม่ไม่มีการตอบความยาวออกมาอีก อันนี้ที่บ้านก็น่าจะทางเขาจะตอบกลับมาอีกใช่แล้วมันก็ไปกันเรื่อยๆยาวแล้วมันก็ดูจะมีนอาจจะแรงขึ้นมาเรื่อยแรงขึ้นไปเรื่อยใช่ค่ะทำที่ดีทีสุดก็หยุ่นบันดีกว่าถ้าเห็นว่าการพูดคุยกันไม่ไม่ไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วในเรื่องเอาชนะเอาแพ้กันก็อย่าเนีอย่าต่อดีกว่าหยุดดีกว่ายอมหยุดเย็นดีค่ะอาจารก็ ดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสสนทนากับพระอาจารย์เพราะว่าคําสอนของพระอาจารย์เป็นเป็นเป็นสิ่งเตือนสติทุกวันกับโยมแล้วก็สามียมด้วยจริงสามียมเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแล้วทุกวันโยมก็จะบอกส่งคําสอนของท่านไปให้ก็จะเย็นลงมาเยอะมาก<อ>ามากธรรมะเป็นเป็นของเย็นใจมีธรรมะแล้วใจจะเย็นใจจะสบายได้ค่ะเอา<ค>ชนตัวนอนดีกว่าอย่าไปชนะคนอื่น จริงค่ะท่านอันนี้ฉนัน น, <ค>น่าจะเหนก็เป็นสร้างสัตว์ตัวขึ้นมาเองใช่ใช่ค่ะบาีการเป็นยอมเป็นคนนิ่งและแพ้โยงว่ามันก็แก้ปัญหาไปแบบเย็นเย็นใช่อาริเวเดียจะได้มิดกลับมาถ้าเรายอมแพ้เขาเดี๋ยวก็กลับมาเป็นมิดของเราก็ได้อใช่ค่จริงค่ะท่านก็ยมดีใจมากวันนี้ได้มีโอกาสรับคําแนะนําจากท่านยมจะไปลองสวดมนต์ยาวขึ้นดูน่าจะทําให้ปิดตใจน้อยลงใช่ โดยเวพาเวลามันเกิดการเจ็บก็อย่าเพิ่งเลิกพยายามสวดมนต์บันไดตอนนั้นเลยค่ะได้ค่ะท่านขอบาารย์พระาจรขอให้ท่านทัดขันแข็งแรงค่ะค่ะถูกคุณเนงคุณเนงต่อค่คุณเน่งคุณเนงไม่ไ้มาสารเกณฑไม่ได้บอกกล่าวนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะชื่อหนิงเจ้าค่ะชื่อนงโอเคเจ้าค่ะจากเมื่อเช้าที่อ่านที่ใน ในลายของพระอาจารย์นะคะที่ว่ากุญแจสามดอกอะคะ่ะสู่ประตูนิพพานเริ่มต้นที่ประตูแรกคือสติสติก็คือการภาวนาพุโทโธใช่ไหมคะที่พอเกิดสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิใช่ค่ะเจ้าคะแล้วสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญาต่อไปใช่ไหมเจ้าคะ สมาธิไม่ได้กระทให้เกิดแต่สมาธิจะสนับสนุนช่วยให้ให้ปัญญาสามารถทําหน้าที่ของปัญญาได้อย่างเต็มร้อยคือสู้กับกิเลสแต่ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิปัญญาเกิดจากการวิเคราะห์การศึกษาสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมว่าเป็นไตายรักเป็นอนิจจังทุกขงาาังและตายค่ะ ต้องต้องใช้การวิเคราะห์ใช้การศึกษาแต่ต้องมาสายใจที่สงบใจที่เย็นเพื่อวิเคราะห์ได้อย่างด้วยเองได้ค้นเจ้าค่ะหมายความว่าเราจะต้องปัญญาเนี่ยไม่ได้เกิดเองจะต้องเกิดจากการพิจารณาจากเมื่อเรามีสมาธิแล้วมีสติมาเกิดสมาธิแล้วถึงจะพิจารณาแล้วเกิดปัญญาได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่แต่เราพิจารณาเราที่ออกจากสมาธิ ตอนขณนะที่จิตอยู่ในสมาธิอย่าเพิ่งไปทำอะไรตอนนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นเวล า, าพักผ่อนของจิตเวลาจิตสงบนี่ไม่ใช่เวลาพิจารณาต้องรอให้ถอนออกจากสมาธิก่อนละพักมาพิจารณาต่ อ, อไปเจ้าค่ะก็หมายความว่าถ้าเราสมมติว่าภาวนามาก็คือว่าเนี่ยบริกรรมพุทโธนั่งสมาธิตามเวลาที่เราคิดว่าเหมาะสมไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่พิจารณาอะไรเลยเราก็จะไม่เกิดปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เกิดไม่เกิด แล้วะอยากให้เกิดปัญญาต้องรอเวลาออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาร่างกายเราก่อนก็ได้ว่าร่างกายเราไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราไม่สามารถควบคุมบังครับหรสังมันเรารวบมือกันได้สาคนจ้าค่ะปัญญาในที่นี้ที่พระคุณเจ้ากล่าวถึงในทางธรรมเนี่ยคือปัญญาที่เห็น อนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ในในขันห้าในในร่างกายเราในโลกปัจขันทุกข์แล้วเจ้าค่ะหรือก่อนหน้านั้นก็อาจจะพิจารณาอนิจจังทุกขังในเรื่องลาบยศสารเสริญสุขก็ได้ลาบยศสารเสินสุก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงได้ลาบก็มีการเสิร์ฟลาบได้ยศก็มีการเสิร์มยศได้สารเสริญก็มีได้เนินทาได้สุขก็ได้ทุกสลับกันไป อันนี้ก็ใช้กันนี้ก็เป็นการพิจารณาสิ่งภายนอกเนาะคะ่ะแล้วทีนี้ว่าได้คุยกับ เ, เพื่อนที่ปฏิบัติเจ้าค่ะเขาภาวนาไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเขาอะเห็นเหมือนตัวเขาอะเป็นโครงกระดูกบ้างเหมือนกับว่าตัวเขานั่งไปนานๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ก็เห็นเหมือนว่าตัวเขาอะลุกออกมาจากล่างที่นั่งสมาธิอยู่ก็เหมือนว่าเขาก็พูดถึงตัวรู้แต่ว่าหนูยังไปไม่ถึงแล้วเจ้าค่ะแต่จะถามว่าถ้าเราไม่เกิดสภาวะนั้นสักทีแล้วเราอะหรือบางคนอะที่ว่าเห็นโครงกระดูกของตนเองบ้างในการปฏิบัติแต่เรายังไม่ถึงอ่ะแล้วอย่างนี้นเราจะสร้างแบบเหมือนกับว่า คิดขึ้นมาได้ไหมคะคือหมั่นพิจารณาให้มันไม่ไม่งั้นเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีมันคงยังอ๋อม้วมันไม่เกิดอรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีไม่มีก็ไม่เป็นไรตั้งสมาธินี้ไม่ได้ต้องการให้มันเห็นอะไรต้องการให้มันนิ่งให้มันอยู่กับความว่างเจ้าค่ะส่วนถ้ามันจะไปเห็นมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของจิตแต่ละดวงที่มันอาจจะปูแต่งขึ้นมาเองก็ไม่เป็นไรไม่จําเป็นไมต้องไปเห็นในโครกระดูกขณะที่เรานั่งสมาธิ เราอยากจะเห็นโครงกระดูกของเราอย่างสมาธิเราก็นึกถึงมันก็ได้เช่ mm hmm. นตอนนี้ก็ลองนึกถึงครงกระดูกดูสิ mm hmm. นึกบ่อยๆจะทำให้มันเป็นภาพขึ้นมาในใจเราก็ได้เน้ะค่ะอันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาอย่างหนึ่งเป็ น, ป น, ป น, ปนให้เห็นว่าร่างกายมันไม่สวยงามมันเป็นโครงกระดูกปุบ้วยหนังเนื้อนั่นเองแต่ว่าสําหรับตัวหนูเองอะ่ะ ห น, ห, นหนูอยากเห็นภาพพระพุทธเจ้าที่สวยงามมากกว่าเห็นโครงกระดูกอย่างนี้มันมันมันจะเป็นกิเลสกิเลสใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพราะามจริงร่างกายมันมีทั้งส่วนที่สวยงามและไม่สวยงามเราต้องให้เห็นทั้งสองสองด้านส่วนที่สวยงามก็เห็นส่วนที่ไม่สวยงามก็ต้องเห็นด้วยมันจะได้ไม่หลงแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปติดภาพพระพุทธรูปที่สวยงามอยู่ในจิตตลอดแล้วเราชอบอย่างนี้มันเราจะหลงเหรอเจ้าค่ะ ก็มันไม่มันก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้มีเราไม่ได้มีความผูกพันกับภาพภาพเหล่า น, นั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือความสวยงามของร่างกายเรามากกว่าร่างกายเรามันไม่สวยงาม ม, มันมันมีทั้งส่วนที่สวยงามแล้วไม่สวยงามโดยโดยเฉพาะพระร่างกายของคนที่เราไปหลงรักหรือเราพยายามพิจารณาเห็นว่าไม่สวยงามเราจะได้เราจะได้เลิกหลงรักเขา อ๋อเจ้าค่ะแม่หนูกําลังอหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยพยายามคิดถึงภาพพระพุทธรูปที่สวยงามไว้ในใจตลอดแล้วสมมุติว่าให้ภาพนั้นน่ะติดไว้ในจิตแล้วสมมุติเวลาหนูจะตายอย่างเงี้ยหนูก็จะนึกถึงภาพนั้นแล้วหนูก็จะได้เกาะพระพุทธรูปเกาะพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานอย่างเงี้ยจะได้ไหมเจา้าค่ะไม่ได้หรอกไปไม่ถึงนิพพานหรอกได้อย่างมากก็สมาธิเพื่พอทํานึกถึงภาพแล้วใจเราเนื่งสงบ มันก็จะไดแต่ยังไปไม่ถึงนิพานจะไปถึงนิพานได้ต้องเห็นเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงไปขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่ไม่ไปยึดไปติดไปอยากกับได้อยากจะได้อะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นหรืออะไรทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องไม่ไม่ต้องไม่ยึดไม่ติดทั้งหมดมันตอนนี้หนูเข้าใจว่า การที่เราไปยึดติดกับภาพพระพุทธรูปนั้นเองก็เป็นการยึดติดเหมือนการสุดท้ายเราต้องวางสภาวะนั้นออกไปจากจิตจะดีกว่าคือถ้าเราทําสมาธิเราก็ต้องยึดติดภาพนั้นไปเพราะภาพนั้นเป็นอารมณ์ที่เราใช้าทําให้ใจเราสงบมได้เป็นกรรมฐ า, านอย่างหนึง่งเป็นพุโทโธอย่า ง, ง <c oughs> เป็นเป็นพุโทโธทางภาพอันนี้จะเป็นทางทางชื่อเราก็ใช้นึกถึงภาพแทนชื่อก็ได้ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของสมาธิเจ้าค่ะไม่เป็นปัญหาเลาอะไรแต่ว่า<อ>มันทําให้เราบางทีแต่ทำทำให้เราได้ได้สมาธิเป็นอย่างมากยังไม่ได้นิพพานอ๋อเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะอะืโอเคนะะไปที่คุณลาต่อเลยคุณลามีคําถามยมีคุณถามต่างๆเรื่องดุ๊ก ใชะมีทั้งหมดเจ็ดคำถามจากทาง a ฟ e b o o k และ youtube เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณสีริลักษ์ฌานหรืออารมณ์ธรรมสามารถถอยเข้าออกได้หรือไม่คะไม่ทรบาบเปนยถอยเข้าออกที่จะเข้าออกก็คือจิตจิตจะเข้าสงบหนือออกมาจากความสงบไม่ไม่เท่อยู่ที่ฌานฌานนี้เป็นอาการของความสงบการเข้า เข้าสมาธิก็คือการเข้าไปหาฌานเข้าไปอานภาพสงบเวลาถอนออกจากฌานออกจากสมาธิก็จิตก็เป็นผูดถอนออกไมไม่ใช่เป็นฌานผูดถอนเข้าถอนออกคำถาต่อไปจากคุณพลังผมอยากมีชีวิตแบบสงบผมควรทําอย่างไรครับไม่บวชนะไม่บวชนะที่ที่ดีที่สุด ไปบวชที่วัดที่มีเป็นวัดปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาไม่เกี่ยวข้องกับทางโลกวันที่เขาห้ามไม่ให้ใช้มือถือได้ยังดีคุณถามต่อไปจากคุณพแพรลูกขอถามค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วดูลมพุดธเข้าโทรออกทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยคะถ้าภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องดูลมได้ไหมคะ ได้มันอาจจะมากเกินไปก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้พูดโท่อย่างเดียวก็ได้หรือถ้าจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเอาทั้งสองอย่างพร้อมๆกันมันจะทําให้ปริหามากขึ้นคำถามต่อไปจากคุณนพจะทําแบบไหนคะพระอาจารย์ เวลากโกรธใครมามานั่งสวดมนต์แต่จิตใจยังนึกถึงคําพูดของคนที่มาทําให้เรากโกรธค่ะจะทําแบบไหนให้ใจหยุดคิดไม่โกรธเขาค่ะเราต้องคิดว่าเขาเป็นอ น, นัตตาเขาเป็นเหมือนบินฟ้ากับอากาศที่เราไปควบคุมบังคับไปได้ฝนจะตกแดดจะออกที่เราก็ห้ามมันไม่ได้คนจะด่าเราแล้วคนจะชมเรานเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ให้มองเขาว่า ก็เขาเป็นเหมือนดินฟ้ากันเขาอยากจะดา่าก็ปล่อยก็ดา่าไปเาอยากจะชมก็ปล่อยก็ชมไปคำถามต่อไปจากคุณอูกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้ากฎหมายประเทศไทยให้ทําการลุนคาตได้ตัวแพทย์ที่ถูกผู้ป่วยสั่งให้ฉีดยาให้ตายจะบาปไหมคะไม่อยากจะตอบคําถามท่านเอาไว้เหมันเกิดเหตุก่อนไรต่างๆไวต่อตอัอนนี้มันยังไม่เกิด คำถามต่อไปจากคุณเรียวกราบเรียนถามพระอาจารย์กรณีมีผู้กล่าวว่าหลวงตามหาบัวทำนายไว้ว่าช่วงปี2566ถึง2568จะมีกรรมฐานแนวใหม่ที่ทำให้คนบรรลุธรรมได้เร็วและส่วนใหญ่จะเป็นค า, ารวดมากกว่าพระสงฆ์จริงหรือไม่และคือกรรมฐานอะไรคะเราก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันก็ได้ยินกันนี้ เราขออภัยด้วยตอบไม่ได้คําถามสุดท้ายจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับการปฏิบัติวิชาจรณนะสัมปันโนครบสมบูรณ์ถูกต้องตามพุทธศาสนาทําเช่นไรขอความเมตตาขอรับไม่รู้เหมือนกันนะปฏิบัติแบบวิชาจรณนะสัมปันโนเป็นยังไยเราก็ไม่เรายังแปลความหมายไม่เป็นอะไรไม่รู้แปลว่าเลย ก็เลยไม่จะตอบยังไต้องถามเป็นภาษาไทยดูว่า้าจะพอจะพูดกันได้ถ้าพูดภาษาแขกบางทีก็ไม่เข้าใจมีปัญหาหมดแล้วเหรนถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคท่านงั้นก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาถ้าขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ